ดเนพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกีย่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาใครที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาร่วมก็เชิญเข้ามาได้พกคนแรกที่เราจะไปก็คือเด็กชายนักคูณกับคุณแม่ คาพาจาันเมื่อวันที่แม่เมื่ออาทิตย์เกี้ยวที่แม่มาไปญี่ปุ่นคาพาจาันดั่นสิแต่ไม่เห็นหน้าเลยไปกับใครไปกับคุณแม่เลยใช่ครัาพาจาันสนุกไหมไปเก็บสตไปเก็บสตอเบี่ครับเอี่ยสตอเบอี่ให้เก็บที่ไหน ชีบะครับชีบะครับเนี่ยเราได้กลินด้วยไหมเปล่าได้กินใช่ไหมคะพระอาจารย์ได้ครับอร่อยไหมรอร่อยครับอ่ดีแล้ววันนี้กลับมาเมื่อไหร่อ่ะกลับมาเมื่อไหร่ครับวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ค่ ะ, คะพระาอาจารย์เนี่ยเรไปโรงเรียนหรือเปล่าครับวันนี้ไปปล่า ไปโรงเไปจรปงเรเ อ, อ, อันนี้ไม่ดื้อไม่สนใช่ไหเรียบร้อยดีนี่วันนี้อืียนข้าวผัดจานทำท ำ, ทำไงถึงเรียบร้อยอะ <c oughs> กลัวโดนไปอยู่โรงเรียนประจำคำคำรําค่ะพระอาจารอ์ใแม่จะส่งไปโรงเรียนประจําเลยสอนไม่ไหวแล้วให้คุณครูโรงเรียนประจําสอนดูเขาบอกไม่เอาดีกว่างั้นจะลองอิมพิวสดูว่าจะทําได้ไหมนักวิชาการข้าวผัดจาเปลี่ยนเรื่องเลย ค่ับรระอาจารย์เมื่อเมื่อไรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูออนนะคะแต่พอดีนึกได้ว่าพาลูกค้าไปเอ็นระเทศนะคะอยู่ในสถานที่ค่อนข้างอักขรหนูไม่ได้ดื่มหรอกค่ะแต่ว่าพาลูกค้าไปแล้วก็มาคิดอีกทีโอไม่อ่อนดีกว่าก็เลยไม่ได้เปิดนากล้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเหก็เข้ามาไม่ถะาเหนก็ไว้เราโอกาสหน้าก็ได้ค่ะอาจารย์ มีอะไรไหมไม่มีอะไรค่ะับก็ Star TV เดียวไหมครับเดียวกันครับเมือม่อเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วที่ไปต้องทุกคนก็ชวนบอกว่าเนี่ยดื่มซี่ดื่มซี่เราก็บอก oh, ไม่คะ่ะไม่ดื่ม <laughs> <laughs> ท<ง>ั <laughs> ทง้ทงทั้งที่บอกว่าทุกคนดื่มกันหมดเราก็แบบอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะเอาน้าเปล่าน้ําส้มทั้งคืนเลยค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้ค่ะใหญงมากเราต้อง <laughs> เราต้ <laughs> องเกรงใจทำอย่าไปเกรงใจขคนนะ ค่ะพระอาจารย์อืเองใจ<ต>คนทําำ่็แหละค่ะจะเลี่ยงไม่ไปก็ไม่ได้อ่าไปก็ได้แต่ว่าเราก็รักษาให้อยู่ในศี่ห้าให้ครบค่ะถ้าเราไม่เดืมไม่มีใครเข้ามาบางัางคับเราได้แร้าวค่ะพระอาจารย์นอกจากกิน เ, ลเหล้าแล้วนี่มันจะหลอกเร า, า ต, ต, ต้องต้องต้เอนเตอร์เทนลูกค้าแบบแบบที่มไม่กินเหล้ากับเขานี่ทํา ง, งานหนักกว่าเขาสองเท่าค่ะอื ก็ดีอาจจะเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าคนไม่กินเหล้าก็ทํางานได้นะค่ะขอบพระคุณค่ะมีธรรมะพระอาจารย์นําทางค่ะพยายามยึดทําไว้ก็ทําเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเรานะค่ะพระอาจารย์ยังเห็นพึ่งไม่ได้เยังเห็นเป็นทุกข์ทั้งนั้นค่ะพระอาจารย์กับไฟหนูก็รีบสวดมนต์นั่งสมาธินิดหน่อยก็เอา อบายมุกพระเจ้าสอนอย่าไปเสพ<ค><ะ>สลายยาเมาเป็นอาบายมุรียงคก<ะ>นำไปสู่ความน่วมจมต่อไปครับค่ะพร<ค>ะอาจารย์<ค><ะ>โอเคนะค่ะกลับนมัสการค่ะอ่าจะแม่แจับอาจตรย์ที่บางคนตขึ้นมากเดี๋ยวจอไม่พอไม่ไม่พอนั่งมา<ค><ะ>บนจอจ้าครับนมัสการพระอาจารย์ครับ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 เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่องอาสัยเ ร, เราทำกรรมัไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทาติคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆ<ร>ือไปเราทั้งหลายควรพิจายรณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอดอย่าประมาทในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะ มันมความจริงคํา si สัริงที่เราอาจจะมองไม่เห็นเพราะผู้ที่กระทํากรรมกับผู้ที่รับผลกรรมเนี่ยไม่มีรูปร่างหน้าตามันนางกายัมนก็คือเรานั่นแหละเราก็คือใจใจก็คือเราเราเป็นผู้กระทากรรมแล้วเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมต่อไปน้งกายเราก็เป็นเพลงแต่อาการ32ใช่ไหมแต่ มีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังนเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าวหัวใจตับผังค<า><า>ืนไตปอดไส้ใหญ่ไ ส, ส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีสะนน้ำดีน้ำสลิดน้ำเหลือง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 อาหารเก่าอาหารใหม่ไน้อยไ้ใหญ่ปอดไตหัวกระดูกหลักหัวใจม้ามยันในกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟัเล็บขนผอม่นะร่างกายนี้ไม่มีตัวเรานะเราไม่เยอยู่ในร่างกายเราเป็น invisible man เป็นผู้รู้ เพียงแต่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการทำอะไรต่างๆที่เราอยากจะทำเท่านั้นเอง<า>แต่ร่างกายว<า>ันหนึ่งก็งกงกต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปงั้นเราอย่าไปทุกข์กับมันนะเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายครับ<า>อ่ามีอะไรอีกหมยังีครับคุณแม่มีอะไรบ่างไม่มีค่ะ โอเคงั้นไปที่น้องทิมก่อนนะเดี๋ยวเราตอบกันนั่นเด็กๆตัวเล็กๆไปก่อนน้องทิมอ่ะคุณแม่น้องฝนคุณฝนตลมรสการ์ข่าพรนจานทร์ยังดังหน่อยจ้ามาบ้าได้ยินนะอ่ะทีมมี่เข้ามาใกล้งสิลอ่ะอ่ะทิ่งส่งมนบ้านก่อนวันนี้ก็นักสมัคร5าทีเกือทุกวันตามปกติครับ เวลไปนั่งห้านาทีทนี่นั่งก็ยังยังมีฟันอยู่บ้างแล้วก็แล้วก็นั่งนิ่งขึ้นครับเวลานั่งทํำอย่างไรทําอะไรอยู่เวลานั่ ง, งนั่งทำอิติปีโสค่ะอ๋อทาอิติปิสโสไปทั้งหน้านาทีเลยเลยได้ก<อ>ี่จบไม่หาะะแล้วทานแล้วตามจบเถอะตามจบฮถอะค่ะอืม ดีพยายามทำไปเรื่อยๆนะทำให้ติดเป็นนิสัยทำให้ถึงเดว่าจะถึงเวลาต้องอยากจะทำนะถ้าเราจะได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาเรามีความทุกข์ใจเราก็สวดอินทรียโสไปเนื้อปลาไฮไครับเวลายอยากจะถำไม่ไม่มีครับไม่มีนะอ่ะ ฝ <laughs> นนะคระอาจารย์ค่ะหนูส่งกันบ้านค่ะอาจารย์ก็ตามที่เรียนอาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าจะเริ่มปรับเวลามานั่งเป็นช่วงตอนเชา้าแทนนะคะอาจารย์ก็เริ่มทำมาได้ประมาณสักสองสามวันนะคะทีนี้หนูคิดว่าตอนเปลี่ยนมานั่งตอนช่วงเช้าคือตื่นกบ ตั้งนาฬิกาปุกวันแรกก็อาจจะลุกยากหน่อยอะค่ะแต่วั น, วนสองวันนี้ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นนะคะก็เริ่มลุกขึ้นมาตั้งแต่ตีสี่กว่ากับตีห้าแล้วก็ก็นั่งนั่งไปจนถึงเวลาที่นาฬิกาปุกที่จะต้องเขาลุกจะต้องตื่นพอดีอะค่ะพระอาจารย์ก็แล้วก็ส่วนเรื่องการงดอาหารหลังเที่ยงก็เมื่อวานก็ก็ทําได้ค่ะพระอาจารย์เมื่อวานพรุ่งวานตั้งใจจะทําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่สิบเอ็ดมงกว่าทานเสร็จแล้วก็ไม่ทานอะไรเลยแล้วก็ มานั่งตอนกัางคืนอีกทีหนึ่งาถามว่าอย่างวันนี้ก็พอดีที่ออฟฟิศไม่ได้ยุ่งอะค่ะพระอาจารย์เช้าตื่นมาก็นั่งสมาธิตอนบ่ายก็ฟังธรรมพระอาจารย์ไปก็นั่งสมาธิไปเมื่อกี้ก่อนเข้าสู่มีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยก็ไปนั่งสมาธิรอะค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้ก็ใช้วิธีเก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนนะคะพระอาจารย์เป็นยังไงผลดีไหมหลังจากที่ไม่กินอาหารเที่ยงวันนลังเที่ยงวันไปแล้ว ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าหนูได้นั่งเร็วอะค่ะมันจะมันก็จะสงบแต่อย่างที่เรียนพระอาจารย์ไปว่ากว่าหนูจะมีเวลาได้มานั่งสมาธิจริงๆอะค่ะมันก็เกือบเกือบเกือบประมาณเกือบสามทุ่มกว่าหรือเกือบสี่ทุ่มอะค่ะพระอาจารย์มันก็เลยยังมีอาการง่วงง่วงแบบเหมือนเข้ามามาตรงนี้อยู่อ่ะค่ะพระอาจารย์หนูหนูลองลองนั่งตอนกลางคืนด้วยเหมือนกันค่ะนหนูก็เลยบอกเอองั้นเดี๋ยว นั่งทั้งกลางคืนทั้งเช้าไปเลยแล้วกันเช้าตื่นมาก็ก็ลองนั่งตอนเช้าด้วยซึ่งหนูคิดว่าช่วงเช้าเนี่ยไม่ไม่ง่วงเลยนะคะพอตื่นแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งอื่นมาอินทรัพแบบมารบ ก, กวนอย่างเช่นเวลาเขาแบบใกล้จะตื่นเขาขยับตัวอย่างเนี้ค่ะมันก็เลยทําให้เราแบบเสียสมาธ์ิสไปอะไรอย่างนี้แต่หนูคิดว่าก็จะลองพยายามปรับหาวิธีที่จะทําให้ตัวเองนอ่งไปนั่งที่ไม่มีคนอยู่ใกล้เราดูหนะ่ยค่ะ นั่งห้องเหมือนก็ได้ห้องรับแข่ก็ได้หค่ะอืมจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนเราค่ะหนูก็กําลังอ่าก็จ ะ, จ ะ, จ, ะจะไปปรับวิธีการตามที่พระอาจารย์แนะนำค่ะหนูคิดว่าเดี๋ยว<ม>พรุ่งนี้เช้าถ้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าค่ะคิดว่าคงจะออกมานั่งตรงข้างนอกเลยค่ะที่ที่ไม่มีคนรบ ก, กวนคิดว่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่า<ม>อย่างเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะเข้าซูมค่ะหนูก็ ใช้เวลาอีกสักแบบเกือบครึ่งชั่วโมงไปนั่งนั่งเข้านั่งตอนนั้นแบบก็ไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายเลยค่ะก็รู้สึกว่าแบบอย่างไ้นนะคะเรียกว่ารู้สึกว่าอันนั้นนจะจะจ ะ, จะสงบดีเหมือนถึงว่าไม่ไม่ได้มีอะไรมารบ ก, กวนนะคะตรง<ะ>วเวกที่นั่งสมาธิต้องวิเวกสงบทั้งนั้นไม่มีอะไรมารบ ก, กวนเราค่ะก็ต้องพยายามหาหาปรับหาวิธีการหาสถานที่ ให้ได้อะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าก็จะต้องพยายามทําให้ได้อะค่ะอืมลองทดอลองลองผิดลองถูกไปก่อนค่ะค่ะตอนช่วงนี้ก็เลยหาวิธีลองผิดลองถูกแต่คิดว่าเออน่าจะค่อยๆปรับไปทีละเรื่องสองเรื่องอะค่ะพระอาจารย์อย่างเรื่องเอองดอาหารหลังเที่ยงไปก็ ก, ก็ก็ทําได้คือเหมือนว่าถ้าตั้งใจจะทําก็ทําได้อะค่ะพระอาจารย์เดีย๋ยวจะทาได้ไหมหรือไม่ทําได้นานหรือไม่นานค่ะตองดูไป ค่ะใช่ก็เลยระยะ ท, ทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนค่ะตอนนี้ก็แบบเหมือนว่าอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละวันสองวันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหนูก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่าอย่างสมมติถ้าตื่นมานั่งตอนชาว่าค่ะพระอาจารย์อา่าเหมือนหลังจากนัน้นความอยากอาหารมันก็จะจะเหมือนจะเบาลงไปได้พอสมควรเหมือนกันเลยแบบเนี้ยค่ะก็ดูไปเรื่อยๆนะนะเพราะว่ามันช่วงใหม่ๆมันอาจจะยัง กิเลสมันย ja ังอาจจะปล่อยเราไปก่อนให้เราเชื่อใจมันยังไม่ตั้งมันยังไม่นุกเราปล่อยให้เราแสดงไปก่อนก็กลัวมากเลยค่ะแต่ว่าก็ก็ไปเชื่อใจก็แล้วกันเต็มเต็มรับกับสิ่งที่มันจะตามมาค่ะก็โดนโจมตีทุกวันเลยค่ะแต่ก็ก็พยายามแบบจะมากจะน้อยก็ก็ต้องนั่งสมาธิค่ะผ่าใจคือมันมัน เอาอยังไงก็ต้องนั่งอ่ะถ้านั่งเผล ง, งว่าจะพยายามนั่งให้มันเป็นนิสัยไปอะไรแบบนี้นเราแนวแน่มากนคงกับการปฏิบัติของเราก็แล้วกันค่ะอย่าให้เหตุนู่นเหตุนี้มาทำให้เราไม่ได้ปฏิบัติค่ะ้ า, างทีง่วง ก, กันไปบางทีหิวกันไปบางทีหนาวกันไปบางทีร้อนกันไปอย่าให้อะไรต่างๆมาเป็นเหตุ ห, ตหลอกเราไม่ให้เราปฏิบัติ เหมือนพะจานทร์จะทราบเลยนเมื่อคืนนี้ตอนนั่งรู้สึกแบบหนาวมากเลยนาวจะรู้ว่าไม่ไหวแล้วก็เลยครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะจะจําตรงนี้เอาไวค้ค่ะบพะจานทร์จะจะจะจะจําไว้ครับพะจานทรน์ตลอก็ต้องพยายามลบกับมันทุกวันเลยค่ะมีให้ล่องลอทุกวันเลยค่ะไอม้มันการปฏิบัติมันสม่ําเสมอแล้วมันก็นจะได้เป็นนิสัยขึ้นมาค่ะค่ะ ก็เหมือนเก็บเล็กผสมน้อยพยายามจะทําให้มันสม่ำเสมอให้ได้ค่ะตอนนี้ก็เลยทำให้มากขึ้นได้แต่อย่าทาให้น้อยลงค่ะค่ะจะพยายามเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ก็เหมือนรู้สึกว่าเอก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกด้วยอะไรแบบนี้ค่ะอ่าดีค่ะขอบพรคุณพระอาจารย์มากนะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหนูมาส่งการบ้านใหม่เจ้าค่ะอ่าสาธุดีค่ะกับคุณค่ะแม่ต้องพีกับพี่ชายพี่ชายต้องพี น้องพีไปไหนนะน้รสการครับน้องพีอ่านหนังสืออยู่ค่ะพวกนี้สอบค่ะโอเคลังขมักเม้นเม่นู้ทำอะไรอยู่นีว่าจะบวชเลยอรผมจะบวชวันศุกร์นี้นะครับไปซ่อมหน้าองได้ต้องจำขึ้นใจได้หมดแล้วครับน้องพ่อเป็นไอซ่าห้างพันเตไหม อ, อุกาสะวันธามิครับออกาสะครับเป็นยังไงนึกไ ง, งอยากจะบวชละอ๋ะ อ, อก็พอดีก็จริงๆแล้วคือจะตั้งใจจะบวชตั้งแต่ปีที่แล้วแะครับแต่ว่าติดแฟนพอหลงโตหลว ง, งพ่อน่าจะจำอลิซได้พอดีช่วงนี้อลิซเขากลับไปก็เลยผมก็เลยว่างก็เลยจิตใจสงบก็เลยว่าจะจะบวชนะครับ ก็ได้ปวดเพราะว่าความเศร้าใจเสียใจนะอ๋ออืมก็แค่นิดหน่อยอะครับแต่ก็ยังได้ยังได้พูดคุยกับเขาอยู่ก็ก็พยายามที่จะเอาธรรมะมาเข้าใจว่าคนอารมณ์แปรปรวนอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะไปยึดติดอะไรมาครับหลวงพอ่อเพราะว่าถ้าเราไปยึดติดมันก็จะทําให้เราเป็ น, นาอารมณ์ช่ายวุ่นวายใจเปล่าเปลว่าเดี๋ยวสามวันดีสีวันไข้ก็ แล้วแต่เขาอะครับถ้าเขาเขาอยากจะกลับมาก็แล้วแต่เขาเขาอยากจะอยู่ก็แล้วแต่เขาก็ผมก็ปล่อยให้เขาทำตามที่เขาไปเพราะว่าผมก็แนะนำเขาไปดีที่สุดแล้วก็ต้องปล่อยให้เขาไปรับกรรมของเขาก่อนครับผมก็ว่าอย่างนี้พอช่วงนี้ก็ว่างก็เลยตั้งใจอยากจะไปบวชเพื่อให้กับพ่อแม่ด้วยครับแล้วก็ให้กับตัวเอง อย่าไปทุกข์กับเขานะเอาจะดีจะไม่ดีก็เรื่องของเขาครับหลวงพ่อเรา<อ>ก็พยายามมีที่ยึดอยี่ยวจิตใจของเราคือความดีมความสงบนะอย่าไปโกรธให้อภัยมีความเมตตาครับผมก็จะอยู่อย่างมีความสุขครับผมให้อภัยเขาตลอดครับหลวงตา <laughs> ผมก็พยายามที่จะเข้าใจเข้าใจเขาก็ถ้ามีโอกาสอีกก็เดี๋ยวจะจะแนะนำให้มาคุยกับหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งครับก็เห็นเพิ่งเจอไม่กี่วันนี้ก็มาถามผมว่าเขาควรจะนั่งสมาธิไหม <laughs> ผมก็บอกว่าโอ้ยถ้าจิตใจไม่สงบก็ควรที่จะนั่งสมาธิแต่ก็คือเขาก็เหมือนกับมี condition ด้วยแหละครับเ e n t a d i t i o n นะครับหลวงพ่อ <laughs> ก็เลย ไม่อยากจะไปแบบว่าคาดหวังอะไระเขามากเพราะว่าอารมณ์เขาขึ้นขึ้นลงลงผมก็สงสารเขาครับเพราะเขาก็อยู่กับครอบครัวที่แบบว่าไม่ได้มีธรรมะไม่ได้ถูกปลูกฝังให้มีธรรมะครับมีคุณธรรมมันก็จะเลยกลายเป็นแบบว่าอะไรก็ตามอารมณ์ตามใจอารมณ์อย่างเดียวไม่ได้ยึดยึดติดยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีครับ ก็น่าสงสารอยู่ น, นะอืมใช่ครับก็น่าสงสารแต่ก็ผมก็พยายามที่จะอธิบายเยอะและพาไปสมัยก่อนก็พาไปฟังเทศฟังธรรมธรรบูรนะครับก็ผมก็หวังว่าถ้าอีกไม่นานหรือว่าเร็วๆนี้หรือว่าจะอีกเท่าไหร่ก็ถ้าเขาคิดได้เพราะว่าเขาประสบเหตุตรงนั้นไม่ดีแล้วเหมือนที่ผมเคยเตือนไปผมก็ว่าเขาก็คงจะคิดได้อะนะครับหลวงพอ่อ mm hmm. ก็ เขาเขาเคยกลับไปเขาก็เขาก็สามกลับไปกลับมาหลายรอบแล้วครับหลวงพ่อก็พยายามที่จะไม่ไปยึดติดอะไรแล้วเพราะว่าเพราะว่าเรารู้ว่าเขาขึ้นขึ้นลงลเนี้ยครับเพราะว่าถ้าเราไปเสียใจยึดติดอุ้ยเข้าไปเดี๋ยเราก็ทุกข์แต่ว่าพอเรารู้แล้วเราเห็นแล้วว่ามันเป็นจริงใช่ครับทำไม่ยึดก็ทุกข์เนี่ยทำไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ว่าเดี๋ยวมาก็แฮปปี้เอเดี๋ยวกลับก็ไป มาอีกไปอีก่าอีกไปอีกอย่างนี้มันดีสีวันใกล้ใช่ครับหลวงพ่ อ, พอก็ผมก็ดีขึ้นแล้วครับก็สบายใจขึ้นแล้วก็ผมก็มันสดมนและนี่ก็ช่วงนี้ก็จะเข้าบวชแล้วก็พยายามที่จะรักษาศีลทำใจให้สงบสุขครับพยายามศึกษาปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะค—การออที่จะมีเวลาบวมมันไม่ใช่เป็นของง่าย ครับห mm hmm. ลวงพอ่อมีอะไรอยากจะถามไม้วยากะพูดไม <laughs> ไม่มีแล้วครับที่ผ่านมาจริงๆก็อยากจะมาคุยกับหลวงพ่อเพราะว่าจริงๆอลิซเองก็ชวนผมจะมานั่งคุยกับหลวงพ่อหลายรอบแต่ก็ mm hmm. ผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งให้เขาแบบคุยเรื่องส่วนตัวไปเลยแต่ก็ครั้งนี้ก็ดีใจครับที่ได้มาหลวงพอ่อใน mm hmm. ในในสูงอีกรอบหนึ่งก็ mm hmm. ฟังดูก็มีเสียงก็มีน้าหนัก คันข้างมันคงอย่างผมไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะขาผมถ้าตั้งตัดสินใจตั้งใจจะบวชล้วก็คือผมเป็นคนตั้งใจจริงๆครับก็พยายามที่จะเก็บเกี่ยวความดีแล้วก็ศึกษาพระธรรมให้ได้ที่สุดครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนําตอนลูกหนุบวชอีกไหมเจ้าค่ะก็พยายามศึกษาปฏิบัติตาม ข้อวันปฏิบัติต่ตางๆที่ครูบาอาจารย์มอบมาให้ทำนะหลวงำกิจของพระเป็นตบะไหวพ้พระสวดมนต์เช้าเย็นนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมศึกษาธรรมะคำสอนของพระเจ้านี่คือหน้าที่ของพระนะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติครับหลวงพ่อ ไม่ช่นอนบวชเพื่อมากินกินนอนนอนมานั่งรับนับมันว่าจำถึงวันเมื่อไหร่ถึงจะเสร็จ <laughs> ไม่ใช่แน่นอนครับศ อ, บ อ, <laughs> อสนานี่เป็นเหมือนสถาบันการศึกษาเหมือนอเหมือนมอรเหมือนมธรรมศาสตร์ <laughs> ไปต้องไปเรียนไปเรียนแล้วก็ปฏิบัติ <laughs> ค, ครับเอามาขัดเกลาจิตใจอาทาให้จิตใจเราสงบมากขึ้นจฉลาดมากขึ้น เห็นทุกเห็นภัยในวันตาสองสารมากขึ้นเห็นตายรักมากขึ้นไม่จะได้ปล่อยวางครับหลวงพ่ อ, อก็ก็กลับกลับลาอขอกลับลาบวชหลวงพ่อนะครับ้ว ถ, ถ้าเดี๋ยวกาสมากก็เดี๋ยวได้มาคุยกันไดขอให้ได้บวชดังสมควรปรารถนา ได้ศึกษาได้เรียนแล้วแม่ได้ปฏิบัติทำนี่พอสมควรแกะกําลังถึงตอนนะสาธุครับขอบพระคุณครับหลว ง, งพอ่อขอบพระคุณเจ้าหลวงพอ่อไปที่คุณซาตกาต่อคุณซาตกาจะใช่หน้าค่ะมาฟังธรรมคับ อ, บ, อบอาจารย์ปฏิบัติค่ะอ่าจะไปบวชชีสักเดือนหนึ่ง ไม่ยอมอเขาไม่ยอมก็ทำไมต้องไปขอเขาเด้วยล่ะเราไม่ได้เป็นลูกเขาให้หน่อยไม่ใช่ก็ก็เคยแล้วเคยแล้วเที่ยวก่อนๆที่ไปบ่อยๆอก็คือใช้บุดสโลบายถ้าทําให้งดกิตก็มันต้องบอกว่ามันเรื่องของฉันนะการบวชทีไม่บวชทีนี่ไม่นเรื่องของฉันชอบว่าลูกว่าไม่ไม่ห่วงเขาเหรอไปรักเขาเหรอ ก็จะให้หัดอยู่ตัวอยู่เพิ่งตนเองบ้างเด็แค่เดือนเดียวใช่จะเป็นยังไงจริงๆจริงๆอ่ะลูกอยู่ไม่อยู่มันก็ไม่ต่างเพราะลูกิธีทําอะไรเลยวระจันจอเออเออยู่แต่ในห้องแต่ยังเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ต้องไม่เห็นต้องไม่เห็นหน้าเห็นตกันเหมือนตายจากการชั่วข่าวใช่เขาชอบแย่แต่ที่ เราก็จะได้ไม่เห็นหน้าเห็นตาเขาด้วยเราก็จะได้ดทดสอบตัวเราด้วยว่าเป็นยังไงเอาว่าตั้งแต่ครั้งแรกเลยพระอาจารันที่ <c oughs> ไปคนเขาว่า <c oughs> เขาพูดลูกว่าลูกอะที่เกียด <c oughs> เพราะว่าลูกเป็นคนชอบอยู่คนเดียวไงบอกเขาไปดูเขาไปเห็นแล้วอ่ะทุกอย่างอ่ะเขาบอกฉันรู้ว่าเธออยู่ได้แต่ว่า เหมือนพอครั้งที่สองอ่ะยิ่งไปอ่ะเหมือนเขาบอกเขารู้สึกว่ามันท่ากันเหลือเกินก็บอกว่าข อ, อยากเดียวจะบวดจะอะไรไม่ว่าแต่อย่าไปปวดรู้ว่าไม่ได้ปวดกินอยู่อย่างนี้แล้วก็แต่ก่อนเนี้ยก็จะใช้ระบบที่ว่าถ้าแบบเหมือนแย่ลูกลูกก็จะใช้ระบบแบบว่าเหมือนลงชื่อไปปฏิบัติธรรมทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นนไปที่เลย แต่ว่าไม่ได้อะไรหรอกคุดสโลบายให้ไปอะค่ะแล้วลตอนเนี้ยเขาเริ่มไม่ยอมลูกก็เลยใช้ช่วงปีหนึ่งก็จะคิดไว้สองช่วงก็คือวันเกิดแม่กับวันตายแม่ว่าปีเวิยเว่จะใช้อย่างนั้นค่ะแต่แต่ลูกก็อยากลองเนี่ยแต่เขาไม่ยอมอราพยายา ม, มคิดโกนหัว่ใช่ไหมตอนเนี้ย อ, นนอยากให้โกนหัวเดี๋ดวนี้ เสียหายตรงไหนโกนหัวเกิดยึ้นาอีแต่ก่อนเนี่ยเคยโกนหัวพอลูกมาทางนี้มาเข้าทูมฟังคำไปภาวนาะบอกอย่าโกนหัวชนะบ้านชาลีก็มีผู้หญิงสองคนมาลาไปบวชชีขอให้ไดช่วยตัดผม ห, หน่อยแต่ว่าตัดได้ครั้งเดียวนะั้นอย่าให้แม่เอา่านนะั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นช่างตัดผมไปลูกกระยาลูกแบบ ในความรู้สึกลูกแบบั่งใครจะบวชอย่ามาหาเราให้ตัดผมให้เนะึ่งเราไม่ให้ไม่รับตัดผมเ <c> ล <ười> แต่ลูกลูกก็ปฏิบัติค่ะเพราะว่าลูกเห็นตัวอย่างจากแม่ลูกอาจารย์แล้วก็ลูกก็เชื่อในกฎเกณฑ์เพราะว่าเออลูกเห็นจากแม่ลูกเลยที่ปฏิบัติมาตลอด <c ười> อะค่ะไอสิ่งที่มันรู้สึกว่ามัน ที่เราเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะคะอาจารย์เ อ, อตอนลูกเข้ามาใหม่ปะคะอาจารย์เคยได้ยินจากพระอาจารย์ว่าห้ามห้ามพูดลูกก็เลยไม่ได้พูดแต่อันเนี้ยลูกก็เห็นเห็นแบบสิ่งที่ลูกไม่คิดว่าลูกจะเห็นกับการปฏิบัติของแม่ลูกอะคะ่ะหลาหลายอย่างแม้แต่ อันนี้บอกได้ไหมมันเกิดขึ้นจริง น, นะคะอาจารย์ไม่ต้องบอกนะเรารู้ค่ะคนเดียวก็พอโอเคอย่นลูกไม่บอก้องใจถ้าใครก็อยากจะถามให้เข้าไปถามก่อนก็แล้วกันถ้าก็ไม่ถามไม่มีเหตุจเป็นหน่อยพูดใช่ะคะ่ะลูกก็จะบอกแค่แค่เฉพาะอย่างแฟนนะคะเขาก็กเขาเขาสัมผัสได้ในในคนที่ปฏิบัติกับแม่เขาที่ไม่ได้ปฏิบัติ เขาก็จะรู้อเขาก็จะเฮ้ยเฮ้ยเขาก็ตกใจค่ะลูกกำปฏิบัติพระอาจารย์ลูกดีดีโอเคมีลาเก็บไว้ข้างในก่อนอย่าปล่อยให้มันออกมาถ้าไม่มีเหตุใจให้มันออกมาอย่าปล่อยให้มันออกมาเดี๋ยวมันกลายเป็นทําทําแตกไปตายไปไม่แตกลูกลูกมีพี่พีที่ท้องถายหรือว่าใครอย่างเงี้ยเขาจะชวนไปที่อื่นลูกบอกโอ้ยลูกไม่ได้ ลูกไม่ได้อยากจะอะไรอย่างนั้นลูกแค่ปฏิบัติธํามทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาลูกไม่ได้อะไรลูกกติเลตตัวอยากโอดอยากโชว์นี่มันแรงนะโอ้ยมาไม่อยากโชว์ลูกลูกเป็นคนธรรมดาว่าจารย์อ่าดีแล้วพยายามทำเนื้อทำตัวไว้ลูกเป็นคนธรรมดาอาไลูกเห็นไม่ไม่ไม่ลูกเฉพาะตอนนี้พอใช่การที่ติโกนะ ลูกไม่อวนหรอกอาจารย์ลูกแบบอยากปฏิบตัติลูกไม่มีอะไรจะทําแค่นั้นนะคะอลูกแค่แบบอยากจะสงบสงบแบบเนี้ยอชอบอย่างนี้คนออกมาอวดธรรมะเยอะโอไม่ไม่ลูกแบบนั้นลูกไม่ชอบอแนวไม่แนวลูกแบบลูกแบบปฏิบัติไปอย่างเนี้ยแล้วก็ฟังธรรมะ อ, มอยู่แบบสงบสงบในห้องอย่างเนี้ยคะ่ะอืม ปู่ย่าตายายแล้วก็แม่เนี่ยนะแค่นั้นพอไม่คุยมาจากอ อ, อย่าฟุ้งธรรมะนะไม่ฟุ้งลูกไม่ไม่นะ ไ, ม, ไ, ม, ไ ม, ม่ลูกใช้ถามลูกลูกบอกลูกไม่มีอะไรเลยเนี่ยเลยรู้ไ ม, ม่อะไรเลยเอทุอกธรรมดามาดูามัญค่ะโอเค ส, สาธุ เสือต้องซ่อนเล็บนะเป็นนี่เป็นเสือต้องซ่อนเล็บขอเป็นลูกแมวแล้วกันคะ่ะ <laughs> <laughs> โอเคหาเจ้าอาจารย์พรมพิลายคนนักกลนเป็นยังไงอยู่วรือเป่าดีค่ะกรรมนรศการพาอาจารย์ค่ะอาจารสบายดีนะคะอะสบายดีครับนรศการพาอาจารย์ครับเป็นยังไงสุขภาพเรียบร้อยดี <laughs> S <S <S อย่างหนึง่งเรียบร้อยอีกอย่างหนึง่งตามมาหลังเก่ารถหมือนรถเก่าซ่อมยางแล้วเดี๋ยวก็ไปเจออย่างอางื่นนี้มันหมดอายุอะไรหมดอายุต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยเปลี่ยนเปลี่ยนแล้ว FDA บอกว่า FDA recall ซะอีกจ้าไม่ได้ก็โอเคฮะอาจารย์ก็เรียบร้อยดีทุกอย่าง คจะต้องยอมรับนะว่ามันเป็นของแม่ของช่วขาวร่างกายมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆก็อาทิตย์นี้ก็ได้ข่าวว่าเพื่อนก็ไม่อยู่คนหนึ่งเสียซีเดี๋ยวก็จะมีงานที่โบสถ์อาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็ได้รวมรวมเม็ดกันอีกนะมิวเนียนอันนี้จะเจอกันอีกช่วงงานเจอต้อง่อนก็เจองานงานแต่งงานวันท้องนู้ เนี่ก็งานสบแล้วเหนะตอนอย่างนี้แล้วนะอันนี้จงค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะพาไปตักบาตพระอาจารย์ค่ะไปเป็นสิริมงคลชีวิตแล้วจะพาไอเน็ตแม็กที่รุ่นใหม่นะคะที่ไปตักปีที่มาอบรมกันค่ะก็เลยแต่จะไปถึงที่บาางคนเข้าวัดไม่เสียหายนะก็มี ที่อยากไปด้วยก็เลยเดี๋ยวอทีตยนี้จะไปทั้งหมดแล้วครับที่บ้านไปอ่าโอเคนะไปก่อนนะการก่อนอไปที่ไต้หวันคุณกันชินกันชินได้ยินหรือเปล่านอนหลับไปแล้วก็หัว ห, ว ห, วหวนนะลับเนื้อนะไปที่เชียงรายก่อนเนอะคุณเ อ, อกกล่าวนามัสการพระอาจารย์ครับเป็นยังไง ครับก็ปฏิบัติทุกวันครับอาจารย์เหมือนกับอาจารย์ได้การสอนไว้ไปบัติเหมือนกับกินข้าวอะครับไปปฏิบัติทุกวันนะไม่ถอยหนัง น, นะต้องเดินนะไม่ถอย น, <ล>ะนะครับไม่ถอยครับพระอาจารย์ครับนอกจากจบางครั้งบางครั้ต้องพักบ้างก็ได้อยู่แต่ไม่ถอยหนังก็ก็ไปฏิบัติมันก็เคยชินไปก็ทําไปก็ก็ได้อยู่ครับอาจารย์ครับไม่ทำทำไไม่ด้เรื่อยมันจะติดเป็นนิสัยไปน่าจะทำง่ายครับผม ก็สงบดีครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ครับอาจารย์ครับอืมครับผมเป้าหมายของการปฏิบัติแค่เพื่อดับความทุกข์ไม่ต้องการเห็นอะไรรู้อะไรให้รู้ทางกิเลสให้รูทันตัวที่สร้างความทุกข์ให้กำลังพพอครับผครับผมรู้อย่างอื่นก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับการดับความทุกข์ใจครับผใช่ครับครับม ก็นำคำที่อาจารย์ได้ให้สั่งสอนไว้ปฏิบัติอยู่ตลอดนะครับก็กลางวันก็เจริญสติอยู่ตลอดครับอาจารย์ครับอืมตาหุ่นให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ลอยไปกับความคิดต่างต่าครับอันตั้งอยู่ในปัจจุบันครับผมเมื่อก่อนก็มีความคิดนะฮะทุกกับความคิดนันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยทูกข์แล้ครับมันคิดขึ้นมาก็พู่โถครับอาจารย์อ่าก็ู่โถเขาใส่ก็มันก็หายไปครับอาจารย์ถ้าไม่มีเหตุจะต้องคิดแก่ไปคิดดีกว่า ครับผมก็ป่อยวางได้เยอะอยู่ครับอาจารย์ครับ<ด>ครับมขอบขับขอบคุณอพอาจารย์นะครับจ้าจาเุ้าทำตามด<ป>ครัคุณซันนี่แมงครับการดำเนมาตรการค่ับอาจารย์วันนี้แม่ร่วงฟังธรรมไม่มีคำถามค่ะวิชาเสียงเหมือนกันเสียงชัดเจนเสียงนังดีค <laughs> <laughs> ่ะวันนี้คุณหมอภาสนะเจับ <laughs> เป็นการชิดเปิดเปิดใบแล้วครัอาจารย์เดี๋ยวเีการชิดก่อนนะการชิดทำอะไรอยู่เมื่อกี้หลับเรยครับนมัสการพระอาจารย์ขอรับอันนี้มามาถึงบ้านแล้วครับอถึงเมืองไทยแล้วเหรอครับอยู่จังหวัดเลยครับจังหวัดเลยอำเภอเลยฟางสะพุงครับฟางสะพุงกายวันหลวงปู่ช้าครับครับมีเหรียญท่านอยู่ครับ แต่แต่รุ่นสร้างศาลามีอยู่ครับมแถ้วก็ที่วังสพุงใช่ไหมครับอยู่ที่บ้านพวกมูลครับหลวงปู่ชอบพท่านก็มีบวนด้านบนสุดเลยครับอังหวัดอะไรนี่เขารพท่านมาก้ช่ไหมจังหวัดใดครับมีมีปฏิหารเดี๋ยวพูดให้พูดได้ไหมครับไม่ตามไม่ได้หรอเอ่อเขาจะยาวเรื่องฟ้าฝนครับเรื่องฟ้าฝนออื ของบ้านครับแนี่ยฝคือหมู่บ้านผมมันเป็นมันแรงมากครับไม่ไม่มีฝนเลยผมเลยบอกพ่อว่าถ้าผมไปถึงแล้วฝนจะตกมันก็ตกจริงๆคริงก็ลองดูือว่าจะสั่งได้ทุกครั้งเปล่าเนาวที่เราสั่งมันตกเองได้เปล่าว่าเดี๋ยวไปหาพู้อาจารย์ก็ ไม่มีรถไปไม่ได้ไงก็ได้เจอกันตรงนี้เราจะมาหาที่ไหนไงครับผมเลยว่าจะโอนไปทําเงินโอนทําบุญกับอาจารย์พรุ่งนี้เช้าครับโอเคสาธอครับจะอยู่นานไหมไม่ครับจะกลับแล้วครับวันเสาร์นยผมมาได้10ได้สองได้อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับต้องกลับไปทํางานต่อนะครับวันเสาร์ต้องกลับครับครบสิบหกวันครับโอเคครับมาพอหอมป่าหอมคอก็พอ ครับอยู่นานก็มีแต่เสียงเงินไม่มีไม่มีรายรับครับก็มาได้เห็นลูกแล้วก็ได้มาหาลูกเพี้ยวบ้างครับอ่านี่ครับโอเคเอาเท่นี้ก่อนนะครับผ้าจานอ่าทคุครับครับเป็นหมอผ้าศ า, า, าสนาเป็นหมอผ้าศาสนาอ่อนนกกาขอาอนุโมทนาจารย์อืมค่ะก็กลับขอบพระคุณผ้ า, าจารย์มากเลยค่ะ ว่าตั้งแต่ที่ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์แนะนําที่บอกว่าวันพระไปปฏิบัติที่นู่นใช่ไหมคแล้วก็ฟังพระอาจารย์เทศคือรู้สึกโอ้ยอย่างวันเฉพาะวันนี้ต้องกลับขอบคุณพระอาจารย์มากมเลยค่ะมันเหมือนกับพอเราปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ทั้งวันตั้งสตินั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาฟังที่พระอาจารย์เทศวันเนี้ยมันก็คือยิ่งเป็นกําลังใจและเห็นแสงสว่างนําทางแบบในการที่เรามีกำลังใจในการปฏิบัติด้คะพระอาจารย์แล้วก็เข้าใจที่พระอาจารย์พูดหมดแล้วค่ะพระอาจารย์ืมารู้สึกดีค่ะพระอาจารย์ ก็ตั้งใจไปตลอดนะคะพระอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวหาให้มีฉันทาวิริยะมีศรัทธาเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องกดแห่งกรรมนี่เป็นเรื่องจริงแล้วใจมันคือมันมันมันทําไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกเลยว่าแบบมันมันไม่ต้องมันไม่เครียดอะพระอาจารย์มันเหมือนกับมันเหมือนกับเออมันง่ายขึ้นแล้วมันมันสามารถที่จะมองเข้าไป หาตัวเองได้ได้ดีขึ้นพระอาจารย์มันก็เลยมีฉันทะมีฉันทะมีความยินดีอเมื่อก่อนยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสจากรมีชันทะแต่เนี่มายินดีในธรรมแทนการยินดียในธรรมเป็นชนะการยินดีทั้งปวงก่อนจะได้สมควรจะเลือกแห่งธรรมนี่าเไม่มาแล้วร่องฟื้นหน่อย มันใหม่ๆอาจจะต้องฝืนบังคับให้มาศึกษาปฏิบัติแต่พอได้สัมผัสกับรถแทงทำแล้วก็รู้สึกเออมันน่ะมันคุ้มค่าคุ้มเหนื่อยรู้สึกดีมากเลยยิ่งมีกําลังใจในการปฏิบัติปฏิบัติไปตลอดเลยพระอาจารย์เพราะเราต้องทําไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยดูดูดูกี่เหล็กเต็ไปเรื่อยๆนะพระอาจารย์มันเลยรู้สึกดีเพราะว่ามันอารมณ์มันก็ไม่สวิงเพมันไม่มีเพราะว่ามันก็ดูไปเรื่อยๆมันเห็นแบบอเข้าใจเลยแล้วก็พี่ดุ่มก็เริ่มพี่ดุ่มก็บอกว่าพอไปนั่งแบบเนี้ย ก็ทําให้ฟังพระอาจารย์เข้าใจมากขึ้นด้วยนะคะพอพี่ห<ม>ลุ่มก็นั่งเหมือนกันก็นั่งโทุลธีกันเนี่ยค่ะนั่งโทุลธีแล้วก็นั่งตรงน้ำมาพระอาจารย์เมือนก็สงบขอบคุณมากค่ะตามเชิญคุณเดซียคุณแม่ไม่อยู่แล้วนั่งอยู่โทุลธีกันอ่อน อ, อยู่ข้างล่างอยู่อีกจอหนึงค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ได้ยินเสียงไหมคะอ่าได้ยินจ้าโอเคคุณแม่อยู่ที่ร้านค่ะ อ่าเห็นละเห็นอยู่เหรอเห็นอยู่หน้าจออยู่นี่ค่ะอ่ามีคำมีคำถามค่ะพระอาจารย์เอ่าอย่างที่หนูอ่านในหนังสือของพระอาจารย์นะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระอาจารย์หนังสืออะไรจําไม่ได้แล้วนะคะคือพระอาจารย์บอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระอาจารย์เป็นร้อนในอ่ะค่ะแเราบอกว่าให้เราหัดสังพระอาจารย์ก็สังเกตตัวเองว่ากินกินน้ําน้ําตาล แล้วมันจะร้อนในอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอพอหยุดกินก็จะก็ไม่มีอาการแบบนั้นเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. หนูก็สงสัยว่ามีพระบางมีพระบางบางรูปนะคะแต่ว่าไม่ได้สายนี้นะคะบอกว่าหนูจะชอบสังเกตตัวเองเกี่ยวกับเรื่องโรคว่ากินอะไรแล้วเราทําให้เราปวดท้องอะคะ่ะพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจแต่หนูคิดว่ามันเราสามารถใช้ปัญญาในการคิด พ, พิจารณาได้หรือเปล่าคะว่ากินอะไรแล้วมันส่งผลกับโลกของเราส่งผลต่อ ส, สุขภาพคาาาา่ะพระอาจารย์เวลาเดินไม่เตะก้อนเห็นเนี่ยเกิดแผลขึ้นมานี่ไม่ไม่สนใจได้ยังไงว่ามันเกิดได้ยังไงใช่ไหมค่ะมันก็เห็นชัดชัดอยู่แล้วคนต่อไปเวลาเดินก็ต้องระมัดระวังให้ไม่สตะอย่าไปเตะก้อนเห็นอีกขงเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราเองเนี่ พฤติกรรมของเราเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายเราเป็นอย่างนั้นเปนน็นอย่างนี้ขึ้นมาเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อยู่ตัวนึ่งก็อยู่พฤติกรรมการกระทําของเราเองถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู้ไปหาหมอหมอเขาก็ไม่รู้ไม่ได้เขาฟังไงเขาก็ไม่รู้ถ้าเราเป็นคนเจ้าตัวไม่ไม่ดูตัวเองแล้วใครจะมารู้ว่าตัวเราเองทําอะไรผิดหรือถูกอย่างไรค่ะพระอาจารย์ใช่ไหม <ขอ S 1> ใช่หนูก็คิดแบบนั้นค่ะว่า อ่าเหมือนกับว่าให้รักษาใจไม่ต้องไปสนใจแต่หนูคิดว่ามันเหมือนเป็นอาวุธสองอย่างมัอนมีดอิโต้กับมีดแกะสลักค่ะอยู่ๆมันก็ต้องดูทั้งสองอย่างเน่ยร่างกายก็ต้องดูแล้วใจก็ต้องดูแล้วงเงี้ยเไม่ต้องกินข้าวเ่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องนอนนะร่างกายไม่ต้องเป็นดูแลมันไม่ต้องดูแลให้มันอยู่ตามปกติ เพื่อที่จะได้ใช้มันมาเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมเพียงแต่ว่าเราอย่าไปยึดติดกับมันเท่านั้นเองความหมายก็คือดูแลได้แต่ถึงเวลาถ้ามันมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถดูแลมันได้ก็ต้องปล่อยมันไปเทนั้นเองค่ะพอาจารย์ช่วงนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้นั่งสมาธิค่ะจะใช้วิธีเดิน เดินเหมือนเดินจงเหมือนเดินจงกลมนั่นแหลคะค่ะพระอาจารย์ช่วงเช้าเช้าอะค่ะพระอาจารย์จะเริ่สติไปก่อนใช่ค่ะเพราะว่าช่วงช่วงนี้ต้องทําอะไรหลายหลาหลายหลาอย่างแล้วก็บางทีนั่งจะหาเวลานั่งสมาธิยอมรับ ว, ว่าช่วงนี้มันก็รู้สึกต่อจิ ก, กิเลตมันต่อต้านได้ดีมากเลยคะ่ะหนูก็เลยใช้วิธีว่าเดินเดิก<ม>เหมือนเดินจงกรมอค่ะทุกเช้าเหมือนได้ออกกําลังกายแต่ว่าก็ไม่ฟังเพลงไม่ได้อะไรแล้วก็ใช้พุโทโธเอาอะค่ะเดินกลับไปกลับมา เป็นแบบสี่สิบห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงประมาณนั่งพระอาจารย์มันก็ช่วยให้เราผ่อนผอนคลายได้แต่ว่าระหว่างวันก็ใช้สติกำกับไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แล้วก็การสังเกตตัวเองค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าหมอก็ตอบคำถามไม่ได้ตอนแรกนี้ก็คือเครียดเครียดมากกับเรื่องก่อนหน้า น, นี้ค่ะที่หนูเคยบอกพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวขอแก้ปัญหาเองก่อนแล้วค่อยมาถามค่ะคราวนี้ เจอตอนที่เจอเนื้อ ง, งอกใช่ไหมคะพรอาจารย์ mm hmm. คือน้ำหนักหนูขึ้นขึ้นมาแบบไม่มีไม่มีสาเหตุเลยค่ะพระอาจารย์ถึงกินนมวละแก้วกินกาแฟหรือกินพยายามแวลี่อาหารไปหลายๆแบบแล้วมันก็ขึ้นพอคราวนี้มาเจอว่าเป็นเนื้อ ง, งอกหนูก็เลยลองสันนิฐานว่าลองตัดอาหารที่เกี่ยวกับฮอร์โมนไปค่ะคราวนี้ก็ลดลงมาแบบเยอะแล้วแบบ ในหนึ่งเดือนนี้ลดมาเกือบห้ากิโลแล้วค่ะเหมือนมาถูกทางค่ะพระอาจารย์แต่เวลาถามหมอหมอก็บอกไม่เกี่ยวหรอกไม่ไม่ทราบแต่เราก็จับทางของเราเองไม่ต้องไปเถียงหมอแล้วเพราะหมอเขาไม่รู้ตัวเราดีกว่าตัวเราเองค่ะพระอาจารย์ค่ะ<ต>หมอหวานเพูดไปแล้วก็รับฟังไปแล้วเราก็ดูแลดูดูดูตัวเราไปด้วยค่ะพระอาจารย์ อัตตาเหตุอัตนโนนาถูจาเจาบอกตนเป็นที่พึ่งของตนอนอาจารย์อย่าไปคิดไปพึ่งคนอื่นเพียงอย่างเดียวในเมื่อเรายังพึ่งตัวเราได้เราก็ต้องพึ่งตัวเราเองด้วยใช่ไหมจนกว่าเราจะพึ่งตัวเองไม่ได้เราก็ต้องไปหาหมอแล้วลองไปใชค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีนัดวันผ่าตัดแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังต่องจิตต่องใจว่าจะไปโรงพยาบาลไหนแต่ว่าที่นัดเอาไว้ก็วันที่สิบสี่ค่ะ ค่ะตอนที่จริงตอนแรกมดอขนาดใหญ่กว่าที่คิดค่ะพระอาจารย์ก้อนเนื้อใหญ่กว่าที่คิดมากมดลูกกลายเป็นยี่สิบเซนค่ะมีก้อนอีกมากมายเลยหนูก็เลยตัดสินใจแบบนั้นค่ะพระอาจารย์ว่าจะผ่าตัดไม่มีอะไรค่ะไม่ได้กังวลอะไรอก็เหมือนใบถอนฟันอย่างเงี้ยบางทีฟันมันเสียวันผุมันเอาไว้ถอนฟันไว้หว่ามันก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีขึ้นแต่อย่างไดกำลังพิจารณาดู อันนี้ถ้ายัางรักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปดันทุนเราอันไหนยังรักษาได้ก็รักษาไปค่ะอาจารย์จะเอาจะเอาไปใช้ค่ะพระอาจารย์การแบบรักษาใจระหว่างที่ทําระหว่างทําการรักษาช่วยได้มากค่ะเพราะว่าอย่างล่าสุดที่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ต้องไปฉีดสีค่ะพระอาจารย์ มันเข็มมันแทงแล้วมันเหมือนกล้ามเนื้อมันคงเกรงค่ะหนูเลยหลับตาเลยค่ะเพราะว่าท่านลืมตาแล้วพุดโทเหมือนเอาไม่ค่อยอยู่ก็หลับตาไปกล้ามเนื้อมันคลายค่ะเข็มมันไม่แทงเจ็บแล้วค่ะแบบค่ะจเป็นหลายๆลย่างจิตนิรันดรปฏิกิริยาค่ะอาจารนเลยทให้กล้ามเนื้อแข็งขึ้นมาเลยทําให้ยากให้เจ็บมากขึ้นใช่ค่ะ พุโทโธช่วยได้ค่ะอย่าไปสนใจเวลาใครเขาจะมาเจาะเนื่อเจาะอะไรแล้วก็มองไปที่อื่นไปอย่าไปเหมือนกันโดนมดกัดทนะนั้นมดีได้ค่ะพระอาจารย์จะเอาพุโทโธไปใช้ตลอดค่ะอไม่มีคําถามอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์รักษากายไปก็แล้วว่าษาใจควบคู่ไปด้วยนะแต่เราต้องไม่ทุกกับการรักษาหายหรือไม่หายก็เป็นเรื่องของหมอไปเรื่องของบุญกรรมของเราไป ขอบาพร ะ, ะ, ะ, ะคุณค่ะพระอาจารย์นะทุกคุณแปมคุณแปมนี่ก็ไปรักษามาเหมือนกันเลยมาเองเหมือนกันเลยันนี้ห ย, ห, หยุดการรักษาแล้วไหอหยุดการรักษาแต่วันนี้มีทานยาเจ้าค่ะไปซื้อยาจากร้านขายยามาเป็นยาคลายกล้ามเนือ้อที่เป็นเป็นปล่อยให้เป็นไหลติดมาประมาณเกือบห้าปีได้เจ้าค่ะแล้ว ลูกก็เพิ่งเพิ่งจะเริ่มมารักษาเจ้าค่ะก็รักษาไปหายก็หายไม่หายก็ก็ไม่หายก็ยอมรับสภาพไปอย่าไปทุกข์กับตอนแรกก็ก็ไม่ได้ไม่ได้กังวลค่ะแต่ว่าก็หายามาทานเพราะว่าต้นคอนี่ก็ปวดเหมือนกันเจ้าค่ะก็เลยก็เลยต้องต้องรักษาเพราะว่าต้องต้องยังต้องใช้ร่างกายอยู่ก็เลยก็เลยไปซื้อยามาทานเพราะว่าไปโรงพยาบาลแล้ว โรงพยาบาลให้ยานวดกับเออยาแก้ปวดมาเท่านั้นเจ้าค่ะอืมบางทีเราก็ต้องเราก็ต้องรักษาตัวเราเองด้วยนะเจ้าค่ะลูกลูกลูกก็ไม่ไม่ไม่ไม่ดื่มไม่ไ ม, ไม่คือถิอ่ถือสินห้ามานานแล้วจ้าค่ะแล้วก็ทานน้อยมาตลอดเจ้าค่ะอก็วันนี้ก็มีมีดีใจเจ้าค่ะเพราะว่า กลับไปบ้านพี่ชายบอกว่าได้ฟังฟังได้อ่านธรรมะของพระอาจารย์ก็เลยดีใจก็เลยวันนี้มารายงานพระอาจารย์ว่าพี่ชายเห็นลูกทำและทําตามแล้วเจ้าค่ะได้นี่เจ้าค่ะในรายที่พึงดางใจเจ้าค่ะลูกก็รู้สึกรู้สึกว่าตัวเองก็สงบขึ้นเจ้าค่ะก็มีอยู่วันหนึ่งนั่งสมาธิรู้สึกไม่นานเจ้าค่ะ นั่งไปชั่วโมงครึง่งประมาณชั่วโมงครึง่งรู้สึกว่าไม่นานเจ้าค่ะอืเหมือนจะช่วงนี้ไม่ค่อยเรื่องง่วงไม่ค่อยง่วงแล้วเจ้าค่ะเพรเราลุกปัญหาแล้วเนี่ยง่วงเพราะกินมากแล้วก็ลดการกินให้น้อยลงไปสติให้มากขึ้นนะเจ้าค่ะสตินี่สําคัญมากถ้ามีสติมากเท่าไหร่การปฏิบัติก็ยางง่ายขึ้นเจ้าค่ะเนี่ยทําไปเรื่อยๆ ก็ก็ก็ทําบางทีก็มีเหตุการณ์ไม่ให้ทําบ้างก็มีอยู่เจ้าค่ะแต่ก็พยายามอยู่เจ้าค่ะไม่ไม่ทิ้งเจ้าค่ะยังปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะก็บางทีก็ต้องต้องปรับกับเหตุการณ์นะถ้าทำไม่ได้ก็ต้องก็ต้องข้ามไปนแต่อย่าหยุดเพราะเราขี้เกียจก็แล้วกันแต่ถ้าหยุดเพราะมีเหตุการณ์ห้ามเราก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ ตอนนี้เราไม่มีเท่านี้เจ้าค่ะเาแบขอบคุณเจ้าค่ะอ่าคุณตายไฮหายไปไหนมาหรือเปล่าเนี่ยํำไม่ได้น้ำกับนมัสการค่ะพระอาจารย์หายไปค่ะพระอาจารย์หายไปประมาณสองอาทิตย์กับสามวันเนี่ยแหะค่ะค่ะพอดียุ่งๆกับค่ะ ยุ่งกับงานแต่งงานของลูกชายแล้วก็ก็ยุ่งกับงานที่ตัวเองทําด้วยคะ่ะพระอาจารย์ค่ะก็ละการปฏิบัติไปไปช่วงที่หายไปเลยแล้วคะ่ะพระอาจารย์ก็ธรรมดามีความโลกพวกพีมันก็ต้องวุ่นวายกับโลกไปค่ะแต่ก็พยายามพยายามฟังพระอาจารย์บ้างแล้วก็มีเวลาก็อย่างเนี้ยคะ่ะเข้า zoom แต่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ยม รู้สึกเหนื่อยก็เลยไม่ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ามาค่ะพอาจารย์เดี๋ยวมีโอกาสมีโอกาสก็จะไปฟังธรรมค่ะแต่ช่วงนี้พ น, นักงานเขาลาออกโยมก็เลยต้องนั่งวันนี้วันพระโยมก็ยังต้องนั่งทํางานแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เอางานก่อนดีกว่าเพราะว่าเรายังต้องดูแลหลายหลายคนหลายหลายอย่างรักษาตันก่อนรักเตะไว้รอทีหลังเลย โอ้ใช่ยมก็อยาจะไปแต่มันไม่มีใครทําแทนนะคะพอาจารย์ทั้งวันนี้ยมก็อโอ้เหนื่อยก็ไม่รู้ว่า เ, เดี๋ยวทําเมื่อไหร่ลงตัวถ้าลูกชายกลับมาลูกสะภ้ยที่แต่งงานใหม่แล้วเขากลับมาช่วยยมออยมก็น่าจะสบายกว่าขึ้นกว่นนานี้นะคะพระอาจารย์วันนี้ลูกชายอีกคนถึงยังไม่ไม่ใช่คนที่มีแฟนใช่ไหมไม่คนเดียวมันอ๋อ ไม่ใช่ค่ะคนที่มาฟังธรรมกับพรนะอาจารย์คนเล็กค่ะพระอาจารย์อันนั้นแต่งงานก่อนไปแล้วแล้วคนคนโตนี่เขาอยู่กรุงเทพทำงาน อ, อยู่กรุงเทพก็เพิ่งแต่งงาน เ, เดือนที่ผ่านมา่วันที่ยี่สิบกว่าที่ผ่านมานี่ค่ะแต่ก็ยังไม่ออกจากงานก็ยมก็ขอเขาว่าถ้าถ้าแต่งแล้วขอมาช่วยหน่อยได้ไหมอะไรนี่เขาก็บอกว่าขอทำงานอีกปีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่จริงอะ่ะใจจริงเขาอ่ะเขายัง เขายังกลัวที่จะเข้ามามากกว่าว่าจะทํางานแล้วได้เท่าเงินเดือนเขาหรือเปล่าเขาคงกลัวอย่างเงี้ยค่ะพ่อจันเขาองเสียดายงานงานของเขาเนอะใช่ค่ะยอมก็เลยว่าเออจะทําให้เขาเห็นก่อนว่าเราทําแล้วมันมันได้นะอย่างน้อยเราก็เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยพ่อจันเขาเป็นคนรับผิดชอบงานแล้วก็เราก็บอกมาช่วยเราเค้อเราก็เราก็อุตส่าห์พยายามปั้นร้านให้อีกทำโน่นทานี่ โอ้ยทำเยอะพระอาจารย์กันเดินลางินเดินลากเขาหน่อยเลยอยาให้ถ้าแต่นนี่คุณทำอยู่ด้นนี้ค่ะยอมก็โยมก็พูดเหมือนกันแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอแม่ทําให้ดูก่อนละกันว่ามันได้จริงๆนะอะไรเงี้ยแต่ก็เลยว่าแต่ก็จะทําเป็นรูปเป็นร่างให้เขาก่อนค่ะพระอาจารย์ก็นูกบอกกับลูกว่าเออถ้าแต่งงานแล้วก็อย่ามีลูกนะมีลูกแล้วมันทุก รูกเราก็เป็นภาระดเลยใช่ค่ะเป็นทุกแล้วก็เป็นภาระแล้วมันจะว่าพาระก็ไม่ใช่เราเกิดออกมาแล้วเนาะพัจนะแต่ว่ามั น, นบแบบใช่ค่ะกลัวเขากลัวเขาจะเหนื่อยเหมือนเรากลัวเขาจะลำ บ, บากเหมือนเราโยมก็บ้าบ้าหาเงินยอมรับเลยค่ะบ้าหาเงินแต่ก็แต่ก็ทําเพื่อเขาทุกอย่างแต่พอเขาแต่งงานโยมก็บอกว่าทํายังไงก็ได้นะอย่ามีลูกเลยสมบัติที่มีอ่ะ ถ้าทําตอนเนี้ยเราก็มีกินยันแก่เดี๋ยวถ้าถ้าเราถ้าเราไม่มีลูกเดี๋ยวพอแก่มาลูกหลานบ้านอื่นเขาก็มาดูแลเราเองถ้าเรามีให้เขาอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ยอมมสอนแต่มันไม่ผิดใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่ไม่ให้เขามีลูกก็แล้วแต่เขาเราบอกเขาได้แต่เขาจะมีไม่มีเราก็บังคับเขาไม่ได้ค่ะค่ะเพราะว่ายงรู้เลยว่าการมีลูกแล้วมันแบบ มันเป็นบ่วงที่มีประสบการณ์ใช่ค่ะยิ่งเรารักเขาเท่าไหร่มันก็มันมันก็ต้องยิ่งแบบอยากให้เขาอยากให้เขาดีกว่าเราอยากให้เขาเก่งกว่าเราอยากให้เขาแบบสบายกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์แล้วก็มันเนืองห้ามบุญเนึ่งห้าห้ามเนื่องบุญกรรมไม่ได้หรอคนมันจะมีมันก็ต้องมีเจ้าค่ะก็ยังคิดอยู่ว่าเออเขาก็วาสนาดีเนาะเขา พอแต่งงานหรือว่ามาอยู่บ้านแล้วก็ไม่มีภาระอะไรโ<ม>ยมก็ยังคิดอยู่เออเขาแต่ทําไมเขาไม่ชอบทาบุญหรอกพรอาจารย์ถ้าวาสนาเขาดีอย่างงี้แต่ว่าทําไมเขาไม่ชอบทำบุญใช่ไหมกเขาไม่ได้ทํามาเป็นนิสัยอนะื<ม>การที่เขามีเกิดมาดีบันมาก จ, จ่มันไม่ได้เป็นอยู่ที่เรื่องบุญอย่างเดียวนะมันก็มีสาเหตุอย่างหนึ่งด้วยอื แล้วเรื่องของเขาแล้วกันไม่ต้องไปสนใจ อ, อดีตขอก็เป็นยังไงใน้รู้ปัจจุบันของเขาแล้วกันเ ร, เราสอนได้ก็สอนไปสอนไม่ได้ก็ต้องปล่อยปล่อยวางเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีอะไรคะ่ะที่จริงตั้งใจเข้ามากราบพระอาจารย์ปฏิบัติก็เหมือนจะถอยหลังเหมือนพระอาจารย์บอกอกิเลสมันหลอกว่ามานว่าจากว่ากิเลสมันหอกว่าเออทําไปก่อนเธอเหมือน แล้วก็มาตลบหลังเราอีกทีอย่างน้อยมามาเข้ามาในนาก็ยังแสดงว่าอยางยังมีธรรมะเหลืออยู่บ้างมีสติเหลืออยู่บ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณหายคร้ขอบคุณคุณแนนอุนอนนรำการธรรมัสักการค่ะรู้ไหมมีคำถามหรืค่ะอ่าคุณดูสตาลาท่วาน นวัต ก, กรรมค่ะอาจารย์ยมยงมาอยู่ที่ร้านค่ะช่วงนี้แบบเออมันเป็นช่วงของปัดฉินนะคะลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ก็มาทําค่ะอืพยายามเคลียร์ดอกไม้ออกเพื่อจะให้หมดให้เร็วที่สุดค่ ะ, ะจะได้ปิดร้านค่ะทําหน้าที่ของเราไปาใช่ค่ะเพราะว่ายมตั้งใจว่าจะเคลียร์ดอกไม้ที่มีออกไปให้มากที่สุดแล้วก็จะปิดกิจการเนะะี่ยค่ะแล้วก็พยายามทํา แต่ช่วงนี้ก็เอ่อเหนื่อยอยู่ค่ะจันเดแต่ก็พยายามจะนั่งค่ะได้น้อยก็จะนั่งค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ออกไปเดินรอบสนามแล้วนะคะระเบิดโลงที่แหวงค่ะจาย์ช่วงจังหวะที่ภูมหนึ่งช่วงเวลาที่โยมจะออกไปเดินแต่วันนั้นโยมไปอยู่บ้านช่วงบี๊กไบค่ะจันก็เลยเดิหน้าบ้านแทนค่ะอืมเพราะต้อง<ม>ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราต้องการจะทํำอะไรอืม ถ้าไม่มีตั้งเป้าหมายมันก็ไม่มีทิศทางเหมือนกันต้องตั้งเป้าว่าอย่าเป้าหมายเราจะเดินไปตรงุดนั้นเราจะได้มีมีทิศทางไปถ้าเราไม่ตั้งเป้าเดี๋ยวมันก็ให้เหตุการณ์ ต, ต่างๆมาตั้งเป้าให้เราเองเข้าใจไหมรันนี้ เข้าใจค่ะอาจารย์ครัเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามาค่ะอาจารย์ยมก็เลยอาจารย์ไดาเลยค่ะสัญญาณไม่ดีเท่าไหร่ได้ยินอยู่ค่ะอาจารย์ได้ยินอยู่ค่ะยมยมรอฟังพ่ออาจารย์พูดค่ะก็เราต้องมีเป้าหมายของเราแล้วเราจะได้เดินตรงไปหาเป้าของเรา ถ้ารไม่มีเป้าเราก็จะถูกเหตุการณ์ต่างๆหนึ่งไปหนึ่งมาโยมจะนำํำจะนํามาใช้ค่ะตั้งเป้าใหม่แต่ตอนนี้คือหมายความว่าโยมจะยุ่งยังไงก็แล้วแต่แต่ทุกวันพระโยมจะต้องฟังธรรมแต่ถ้าหากเม่นั่นก็เป้าหมายนั้นกันนั่นก็เป็นเป้าหมายเหนึอนกันแต่ถ้ากลางวันไม่ได้โยมต้องมาฟังกลางคืนค่ะจะยังไงโยมก็ต้องฟัง ต, ต้องมีต้องมีตั้งเป้าหมายมันพูดท้เจ้าอาธิษฐานว่าจะนั่งไต้ต้นโพกันจนกว่าตัดสิรูเองเราก็ต้องมีเป้าหมายไม่ใช่นึื่อจะทําตามอารมณ์วันไหนไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทําวันไหนไม่ว่างก็ไม่ทาเดินเดินหน้าบ้านแทนขาจารย์แล้วก็ยังไงยังไงทุกคืนจะต้องนั่งภาวนาน้อยก็ต้องนั่งขาจารยะยังไงก็ต้องทาอํ<ข>าค<ม>่ะำเป้าหมาย ม, มันจะทําให้เราไม่หลงทางแล้วก็จะทําให้เรา สามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยคะ่ะจารันได้ได้ยินอย่างนี้รู้สึกแบบใจฟูเลยค่ะเพราะว่าคงโลกนี้คงจะไม่ได้ไปขึ้นเขาสักระยะหนึ่งอะคะ่ะพอได้ยินอาจารย์พูดแบบรู้สึกแบบมีกำลังใจรู้สึกจริงๆแล้วรู้สึกใจเราไม่มีพลังเลยค่ะอาจาย์รู้สึกตั้ตีไม่มีกำลังค่ okay. พอเป็นแบบนี้พู ไปไปต้องใมเลยค่ะต้มีสัจจะอธิฐานมีขันติมีวิริยะโนพลั้นการดําเนินชีวิตของเราต้องมีเป้าหมายมีสัจจะความจริงใจต่อาการกระทาตามเป้าหมายมีความเพียรมีความอดทนเวลามีอุปสรรคขวางกัน้นไม่ท้อถอยไม่ยอมแพ้ไม่ยกธงขาวถ้าไม่ทงมันก็ไปไม่รอด ตั้งเป้าหมายไว้แต่พอถึงเวลาทําไม่ไหวก็เลิกยกธงขาวโยมยังศีลแปดเหมือนเดิมมื้อเดียวเหมือนเดิ ม, ม, ดมต่อให้ยังไงโยมก็ยังมื้อเดียวอย่เหมือนเดิมค่ะอาจารย์อนุยอมยมต<ม>อาแนวแน่มัม่นคงครับเป้าหมายของเรานะไม่ไ ม, ไม่ไม่ออกเลยค่ะตั้งแต่มาสองปีนี้มาก็ยังไม่เคยไม่เคยหยุดเลยค่ะอาจารย์ถ้าไม่มีเหตุอันควรก็อย่าไปเร้า ต่อให้ปวดท้องยังไงยมก็ไม่ออกค่ะอาจารย์ยังไงก็ไม่ออกค่ะยังรักษาตีนเหมือนเดิมมีพระพุทบอกเอาสักมื้อไม่เป็นวันนี้สองมื้อไม่ไมืม้อเดียวยังไงก็มื้อเดียวต่อให้ไม่อิ่มยังไงก็มื้อเดียวแบบพระพุทธเจา<ๆ>้าบอกต่อให้เลือดเถอแห้งไปก็ไม่ลุกถ้าไม่ตัดสินรู้ต้องดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าชะลนะที่พึ่งของเราแบบฉบับของพวกเราอนี่ย ยมับปยมมีปิติเลยค่ะอาจารย์นี่ยินฟังอาจารย์พูดเบบยุู้สึกแบบใจมันฟูค่ะอาจารย์กำลังใจมาเต็มเลยค่ะอาจารย์นี่แหละคือการได้ฟังค่ะการฟังธรรมก็จะทำให้เกิดกำลังใจใช่ค่ะเกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นดีขอบคุณอาจารย์ตาทูค่ะตาทยมยมยมขอออกไปทำงานต่อนะคะพระอาจารย์ ตามใจเลยไม่ว่ากันคนสุกัญญาอาจาคุณสุกัญญาได้ยินไหมกำลังนั่งสมาธิอยู่นะสุกัญญาค่ะ อ, อันผิดอา่าเปิดไม้ได้ไหมพูดได้ไหอชื่อสุพินยาค่ะครั้งที่แล้วที่พระอาจารย์บอกว่าให้มีสติ ตื่นเช้ามาก็ให้มีสติหนูพยายามแล้วค่ะสติมาแค่ประมาณท่าวินาทีประมาณนี้ mm hmm. แล้วก็หายไปเลยพยายามทั้งวันมันก็หายไปเลยมันมันมีสติแค่เป็นมีนาทีอ่ะค่ะแล้วไม่เป็นไรอย่างง่ายง่าวินาทีแค่ก็ดีกลับไปจะได้เป็นนาทีเนค่ะ mm hmm. เริ่มต้นเหมือนกันต้องน้มลุกงุกขานไปก่อนอย่าท้อตั้งเป้าหมายว่าเราจะเพ่งสติไปทั้งวันถ้าที่เราจะสามารถทําได้ ได้ค่ะจะพยายามค่ะวันนี้พรุ่งนี้มันจะต้องมากกว่าวันนี้ไมคิดอย่างนี้วันนี้ได้ทังนี้พรุ่งนี้จะต้องได้มากกว่า น, นี้อืมได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆได้แปลงนันทะําไมดืมง่ากในการนั้นเรื่องสติเนี่มันมันไปเองอะค่สะสติ <c oughs> หายไปไหนก็ไม่รู้เรื่องอื่าได้คิดได้อย่างเรื่อยนะเรื่องเรื่องนี้ แต่พอเรื่องพุทโธนี่ไม่เอาเลยได้แค่สองคำคำหายไปเท่าตีเมฆไปเลยใช่น่ะกิเลสมันเก่งนะหนูก็ไม่รู้จะทํายังไงหนูพยายามแล้วค่ะแล้วก็แบ่โมโหง่ายด้วยอกบคุมตัวเลยมันเย็นๆสันติทั้งหมดทนอ่ะค่ายพอรู้ว่าเผลอก็กลับมาใหม่เริ่มใหม่พอรู้ว่าไม่มีพุทโธแล้วก็เริ่มใหม่ ทำไมไ่เร่งรแต่ว่ามันก็จะมันก็จะมีกําลังมากขึ้นไปเองอันนี้เราไม่มีกําลังเราถูกกิเลสเป็นเดึอดเป็มอดเดีงยวให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ค่ะขนาดตอนนอนยังคิดหนูก็ว่าจะฟุดโฟแล้วมันไม่ไม่ไม่พุดโฟหายไปเลยค่ะเดี๋ยวจะพยายามเดีเ๋ยวพยายามันยาวหน่อยก็ให้สวดอิติปิโสไปแทนก็ได้ มันจะได้ไหมดูที่จะส่วนด้านหมหนึ่งจบเนี่ยอิติปิโสภควาอัลลังสงมาสามพุโทโธจําได้ไหมจําได้ค่ะอ่าสามพุโทโธมันสั้นไปแล้วมันหายง่ายก็อลองดูอิติปิโสดูจะส่วนได้จบได้จบหรือไหมได้ค่ะแต่ว่าหนูจะลองเปลี่ยนเป็นอิติปิโสเพราะที่ผ่านมาพุโทโธไม่รู้กี่รอบแล้วมันก็หายไปอ่อาแล้วอิติปิโสหนูแทนมันจะไดไ้ยาวหน่อยค่นะ ก็ถ้าได้รอมหนึ่งก็พยายามต่อยอีกรอบนึงต่อไปเรื่อยๆได้ค่ะดี๋เราจะลองพยายามดูค่ะอาจารย์โอเคขอบพระคุณมากเลยค่ะอ่าสาธุต่าบคุนมาเรีมาลรีมาเรียนห้าวข้าวเป็นยังไงปฏิบัติทุกวันตลอดวันอื เรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วใช่ไหมเพื่อใครแล้วก็มันมันมันเหมือนปฏิบัติมากขึ้นค่ะเพราะดึกดึกดึกทุกวันนะคะแล้วก็อเออมันเหมือนวิ่งวิ่งทํามันก็ยวิ่งยิ่งเห็นนะคะอืมวิ่งเห็นตายรักชัดขึ้นนะให้ดูตายรักให้เห็นตายรักให้เห็นนารยาสัรนี่คือสิ่งที่เราต้องเห็นต้อง Yeah. หัวใจของบัญญาก็อยู่ที่ไตรักที่อริยสัจ ส, สีเนี่ยเห็นเห็นแล้วก็ต้องที่หลวงพ่อสอนเห็นแล้วก็ต้องตกักต้องรักต้องวางให้ mm hmm. ให้เร็วให้ mm hmm. แล้วก็ถ้าเราทําได้ทันทีทันความทุกข์มันก็ไม่ไม่มีไม่อยู่ในใจเรา mm hmm. มันเห็นแล้วไม่ก็วางวางว่า ม, มีทุกข์ปั๊บตรงรู้แล้วแต่เราทุกข์นะ ต้องรู้สายเหตุนะคับเป็นเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากต้งละกอนละรความอยากได้ทุกข์ก็จะเดาไปการจะใช้การรู้ทุกข์ได้ก็ต้องมีสติปัญญาละละกิล ะ, ล ะ, ละความอยากก็ต้องใช้สติปัญญาทานิ โ, นโรธให้แจ้งให้ปรากฏขึ้นมาก็ต้องใช้สติปัญญา<ม>คือมากแค่เลย เหมันต้องเอาสติจับอยู่ตลอดเวลาเวลาสติจับได้มันก็จะมาพร้อมกันเลยค่ะทั้งสมาธิทั้งปัญญามันมาพร้อมพร้อมกันนะคะแต่ว่ามันบางทีมันมันยังไม่จะมันไม่คุบปับอย่างเงี้ยค่ะหนมพอมันเหมือนมันต้องไปทำให้ให้ทลี่ยวอะไรค่อหนุ่มพ่เหมือนแบบทันทีทันทันแล้วจะ มันจะไม่ไม่เกิดอะไรที่เรามาค้างคาใจอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อพอเห็นปุ๊บเหมือนสติมาปับ๊บตัดได้อย่างนีน้มันก็จะวางปล่อ ย, ปอยไปอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วบางทีบางทีมันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นนะคะหลวงพ่อแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เข้าไปไปอินกับในเรื่องอันนั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มัน ใจมันถอยๆอยออกไปอย่างเงี้ยข้าหลวงพ่อเหมืนอนเฉยๆอย่างเงี้ยข้าหลวงพ่อแล้ไม่ทุกข์ก็ไม่เวรก็ดีไม่มีปัญหาเลยไม่ต้องทาอะไรแล้วมันทุกข์ก็ต้องคอยกำจัดกับทุกข์เอาหมายของเราเป็นคนเหมือนคนดับเพลิงเนะี้ยคอยรอให้คนเขาแจ้งมาว่าไฟไหม้ที่นู่นไฟไหม้ที่นี่แล้วขับรถไปดับอันนี้เราก็เราว่าใจมันจะบอกว่าตอนนี้ทุกข์กับเรื่องอะไรเนอะือ แล้วก็เร่งรีบเอาปัญญาไปดับมันเอาลดดับเพิ่งคือสติปัญญาไปดับมันแตถ้า ม, ามันไม่มีไฟลุกก็ไม่มีไฟลุกก็ไม่ต้องทําอะไรก็อยู่ไปเป็นปกติแต่ถ้าเวลามันมีเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะเหมือนสติมันก็ต้องรวดเร็วใช่ไหมคะแล้วมันจะต้องไวถ้ามันไวมันก็จะดับทุกได้เร็วขึ้นราช้างก็ดับทุกได้ช้าลง ก็พยายามพยายามอยู่ค่ะหลวงพ่ อ, อโอเคนะมีอะไรไหมไม่ไม่มีแล้วค่ะหลวงพ่อขอบคุณหลวงพ่อมากๆค่ะอ่อไปที่โกเบคุณจุ๊บเป็นไงตอนพิจารณาเป็นยังไงบ้างในวาสการคระอาจารย์เจ้าค่ะ พ, พิจารณาหรอคะพระอาจารย์ ตอนนี้คือตั้งแต่คราวนั้นที่โดนกระชากสติขึ้นมานี่ก็หนูรู้สึกเฉยๆแล้วค่ะพระอาจารย์รู้สึกเฉยๆกับทุกอย่างเลยแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราต้องพยายามเองอะคะ่ะไม่ได้เอาจิตไปยึดติดกับครูบาอาจารย์แล้วอะคะ่ะแล้วมันก็เหมือนกับว่าพอเรามันคิดได้อย่างนี้แล้วมันหวนกลับไปคิดเหมือนเดิมเมื่อเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้อีกแล้วค่ะพระอาจารย์ ปัญญาเราต้องเป็นคนผลิตขึ้นมาเองอย่าไปก้าว <Okay. S 1> ของคนอื่นมาอเราปีใช้ไม่ได้สมุนลิขสิทธิ์ก็ตอนนี้ก็ปฏิบัติพยายามทําใช้ตัวเองไปถึงจุดนั้นคิดด้วยตัวเองปัญญาต้องขึ้นด้วยตัวเองถึงจะเป็นปัญญาของตนเองเป็นปัญญาแท้ถ้าไปอเอาลอกมาเท่านี้มันเป็นเมือนกัไปเอาของสมุนลิขสิทธิ์มาใชา้ใช้ไม่ได้ ปฏิบัติเรื่อยๆอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ปัญญาร้าจะปัญญากรรปัญญาตายนะทุกอย่างเป็นตายลักไม่เที่ยงนั่นต า, ายก็ไม่เที่ยงกายแก่เจ็บตายปัญนานก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์อารมณ์ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าไปอยากให้มันไม่ไม่เปลี่ยนก็จะทุกข์ขึ้นม า, า, าต้องปล่อยมันต้องยอมรับ ว, ว่ามันเปลี่ยน ให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางน่ะเข้าใจนะเข้าใจจ้ค่พะพอาจารย<ม>์มีอะไรไหมมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังก็บ่าตอนนี้มันไม่มีอ๋อพระอาจารย์เจ้าคะ่ะคือหนูสังเกตตัวเองนะคะนะ่าเจ้า ค, ะคะ่ะพระอาจารย์คือเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราเดินเดินแล้วก็มานั่งเดินเดินแล้วก็มานั่ง คือเราดูแล้วเราไม่มีปัจจัยอะไรที่มันจะทําให้ไม่ฝุ่งเลยเพราะเราก็มีสติทั้งวันพยายามแบบอทาไม่พุโทโธพุโทโธก็ท่องพุททางสรานางะนังคัจฉามิอะไรอย่างเงี้ยของเราไปใช่ไหมครบางทีจิตมันก็มันท่องขึ้นมาเองค่ะอาจารย์บางทีนะคะแต่แเราให้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเล่อยคือให้มันเดินงานขึ้นอพออยากจะหยุดหยุดเดินก็อย่าเพิ่งหยุดเดินเดินต่อไปบางครั้งมันเดินต่อไปให้มันทุกข์ อนำ้ำน้ำใจให้ม e ันไม่ทุกกับการเดินได้หรือไม่ต้องฝืนความอยากอยากจะหยุดเดินเราไม่นํามันอยากปให้ตามใจมันแล้วเดินต่ออีกสักชั่วโมงได้ไหมใหญ่มันเยอ่ค่ะเมื่อเมื่แล้วพอแบบเดินเดินเยอะใช่ไหมแล้วมันนั่งบางทีคือบางทีเรานั่งเนี่ยแตลกที่ว่าทําไมมันไม่สงบเลยพ่ะย่ะกัน มันไม่สงบอะค่ะถ้าไม่ได้นั่งด้วยสติมันก็ไม่สงบคือถ้าสมมติถ้าคือมันมันไม่ได้คิดนะคะแต่มันมันบอกไม่ถูกอ่ะค่ะพราจั้นมันอึดอัดมันแต่หนูก็ดูนะคะดูว่าเออก็ก็ดูไปว่ามันให้มันอึดอัดเออก็ดูก็ดูมันไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่างนก็คือตีเลสนะครความอย่างอย่ะไปทําอย่างอื่นมันก็เลยอึดอัดขึ้นมาไม่อยากจะนั่งเฉยๆนั่งอึดอัดขึ้นม ถ้าถ้าอย่างน<ต>ี้เกิดขึ้นอีกก็ต้องพูดโทพูดโทพูดโทไปออ ย, อย่าอย่าปล่อยให้มันสร้างคําูดเือดในจิตเรามุงแต่งฟุ้งมันไม่ฟุ้งแต่มันสร้างคำพูดระแทนคําพ่อฟุ้งแทนมันก็ตัวเดียวกันคือตอนตอนที่หนูหนูเป็นอย่างนี้แล้วหนูก็ดูมันไปดูมันไปแล้วหนูก็รู้ว่ามันเริ่มมันเริ่มจะแบบอะไรนี้ขึ้นมาหนูก็พูดโธใช่ไหมคะเจ้าคะพอพูดโธพูดโธไปเนี่ย พอออกจากพอออกจากครับออกจากตรงนั้นเสร็จเนี่ยมันเครียดะครับพระอาจารย์มันเครียดมากเลยค่ะทําไมมันเป็นอย่างนี้นะคะพระอาจารย์ก็ไม่มีสติมันก็เครียดเราไม่เราอย่าไปอยู่ทุทโทเลยถ้า ม, มีอาการนี้แสดงว่าเกิดสมุทัยแล้วเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาในใจแล้วเจ้าค่ะเราใช้สติเราใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาได้เราก็ใช้ปัญญาว่าอะ มันจะได้ก็ให้รู้เฉยๆไปอย่าไปอยากให้มันหายบ่อยให้มันหนานไปอย่าไปทุกข์กับมันได้ว่าอถ้าไม่ได้ก็ใช้สติหยุดมันก่อนพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปบางทีหนูอาจจะไม่อดทนไม่ไ ม, ไม่ไม่ดูมันนานออกมาซะก่อนใช่พอมันเป็นอะไรก็ถอยไปก่อนนะค่ะไม่เผชิญหน้าไม่สู้กับมันเจ้าค่ะ อืที่หนูเจอนะคะอาการอื่นอันนี้ก็คือความทุกข์ก่อนเนี่ยค่ะมันมันมันคือเหมือนเป็นก้อนขึ้นมาถึงตรงนี้เลยค่ะพระอาจารย์ขึ้นมาใช้สติหรือใช้ปัญญาไปถ้าปัญญาใช้ไม่เป็นก็เอาสติก่อนพุทโธพุทโธไปส่วนอินิพย์เซลไปเจ้าค่ะเดี๋ยวถ้าถ้ามันเกิดขึ้นอีกเดี๋ยวหนูจะลองอืจะลองอดทนจะจะอดทนดูว่ามันจะไปถึงไหนดูเจ้าค่ะอาจารย์อ <Okay. S 2> ก็เค่ น, นี้แล้วจ้อะอาจารย์ไปที่นิสาคุณนิสา l อเอก้าในมัสการาาาค่ะพระอาจารย์ก็สาหรับลูกก็ยังปฏิบัติค่ะพระอาจารย์เหมือนเดิ ม, มก็มีมันก็มีแบบมีช่วงที่แบบว่าสติหลุดบ้างค่ะพระอาจารย์ก็คือ บางทีเราแบบอยู่ในในสมาธิมันเหมือนมันตอนลมหายใจมันหายไปอะค่ะพระอาจารย์เหมือนมันมันบางวันมันจะแบบมันเหมือนมันอยู่ไม่นานค่ะพระอาจารย์มันเหมือนมันนิ่งไม่นานนะคะพระอาจารย์มันก็เลยแบบอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกแที่มีปัญหาเหมือนกันคือมันจะเริ่มอึดอัดนะคะพระอาจารย์ต้อเดึงจิตใขึ้นมาใหม่ ค่ะค่ะลูกลูกทราบค่ะถ้าลูกพูดพระอาจารย์ก็ต้องบอกว่าสติคือต้องไปทําสติอะค่ะก็เลยรู้ค่ะว่าไม่มีสตินะวันนั้นนะคะพระอาจารย์ใช่ต้องเจริญสติให้มากมาก่อนมานั่งแล้วเวลานั่งมันจะนั่งได้นานใช่ไห ม, มไนนคะแต่บางครั้งบางวันมันเหมือนแบบเหมือนมันโมโหตัวเองอะค่ะพระอาจารย์แล้วพอเสร็จแล้วเราก็มานั่งนึกว่าเออมันเราก็ต้องยอมรับในสิ่งนี้อะค่ะพระอาจารย์ ก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนแบบเหมือนมันยังคือโมอโหตัวเองว่าทาไมเราบอกว่าบางครั้งเราโวไปคิดฟุง้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอาจารย์เหมือนก็คุยกับตัวเองตอนนั่งนะคะพอาจารย์โมโหตัวเองก็เป็นกิลเลสอีกอย่างอ่ออ า, าค่ะโมโหตัวเองก็ไม่ได้ต้องยอมรับว่าเราผิดพลาดเราไม่มีสติเราต้องแก้ไขไม่ใช่ไปโกรธตัวเอง ค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราแบบเราต้องเราต้องไม่ถอยนะอะไรเงี้ยเราต้องสู้<ม>อะไรเงี้ยค่ะก็แบ<ม>บก็ดีขึ้นค่ะอาจารย์อืมก็สู้ต่อไปอถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็กลับมาพูดโธก่อนเลยดีที่สุดค่ะพระอาจารย์ก็ส่วนใหญ่ลูกจะแบบพุดดิติภิโสไปเลยค่ะอาจารย์สวไปเลยใช่รต่ใจวุ่นวายหรือว่าหาทางหยุดมันไม่ได้ก็สวดไปก่อนเลยก็ได้ ค่ะค่ะมันสงบกว่าแล้วก็มาวิเคร์อีกทีมันเป็นเพราะอะไรอ๋ออาจจะแบบช่วงนี้มันมีเรื่องเข้าเยอะอะค่ะค่ะอาจารย์ก็เลยแบบเหมือนสติมันก็หลุดนะคะค่ะอาจารย์ถ้าศึกษตัวเยอะเหมือนป้องกันภัยมีน้อยก็รชบผูก็ไม่ไหวค่ะค่ะอาจารย์ กิเลสมันเยอะค่ะพระอาจารย์ม like ันแบบคือมันมีเรื่องเยอะค่ะว่าคิดนู่นคิดนี่บิงทีมันก็รู้เลยว่าแบบบางทีบางอย่างมันยังไม่มาถึงเลยอ่ะเบาจะคิดอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ก็ไม่ค่ะค่ะพระอาจารย์ก็คิดว่าแบบเออทาเป็นวันๆไปดีกว่าบางทีมันคิดเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เป็นคนคิดแบบคิดเยอะอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แบบฟุ้งซ่านค่ะพระอาจารย์ ถึงต้องเข้ามาในห้องสูงเนี่ยค่ะพระอาจารย์มามาเติมพลังต้องกลับไปนั่งเจอเนักสี5หชั่วโมงกค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวต้องต้องเริ่มอีกแล้วาหาสติกลับมาแล้วก็หรือแต่เวลาเวลาเดินไปเดินข้างนอกคือเดินจงกรมก็ก็ช่วยได้ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าคือช่วงนี้แบบคือเตรียมเตรียมที่จะแบบ เอาบ้านลิสต์อะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องเยอะอะค่ะอาจารย์ค่ะก็เลยแบบเมื่อพอมันเริ่มเอาไปใหก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วเรื่อเครื่องเรื่องนอนแล้วหยุดพักได้แล้วกลับมาใช่บางทีพูดจุดพูดกับตัวเองทั้งวันเลยมันจะคิดเลยนักหนาเนี่ยนิสาค่ะอาจารย์บางทีแบบบางกรั้ก็นึกว่าเวลาบางครั้งคือช่วงที่แบบเราทํางานเยอะๆเอาเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็แบบ ไม่ค่อยคิดนู่นคิดนี่อะไรเงี้ยแต่พอว่ามันก็มีความฟุ้งซ่านจริงจริงคนเรามันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ใช่ไหมคะคือแบบกิเลสมันมาตลอดเวลาพอพอเรามีงานเยอะเราก็บอกว่าทําตอนงานเยอะๆเราก็บอกว่าเออเราอยากจะว่างๆแล้วจะได้แบบว่าเออแบบทําในสิ่งที่เราอยากทําอยากจะนั่งสมาธิอยากจะแบบนู่นจะนี่พอทีนี้ว่างแล้วก็แบบเอาทำไมไม่ทําอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็คุยกับตัวเอง ค่ะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็สู้ต่อไปไม่ถอยค่ะพระอาจารย์มาเติมพลังอพยายามตั้งเป้าหมายไว้ตั้งเวลาตั้งตารางไว้ว่าถึงเวลานี้ต้องทําอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ต้องไปต้องไปนั่งสักสี่ห้าชั่วโมงสักสามวันแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะพระอาจารย์พยายามค่ะสู้ไม่ถอยค่ะพระอาจารย์ <ไ>อ๋ออาจารย์ท่านใสาคุณโอพีเอช่นน้สัมน้าสกาพระอาจารย์ามีอะไรหมนีม่เจ้าค่ะอาจารย์กจากการที่ทานข้าว20คาต่อวันวันนี้เข้า ว, วันที่12แต่ว่ามีหลุดเมื่อวานเานี่ยเจ้าค่ะรอาจารย์21ค พยาบาลมันมันเหมือนแปลว่าหนูเริ่มกำฮาร์ทุกซ์แค่ะทุกแล้วก็กังวลนี่คือว่ามันมันหิวเร็วแล้วก็มันมันเหมือนกับว่ามันไปไปฝกแต่เป็นเรื่องความหิวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะายาบาลหนูควรจะแก้ไขยังไงดีเจ้าค่ะอ๋อเราอย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เลยมันมันไม่เที่ยมต้องดูว่ามันเป็นอะไรจังแล้วก็ อย่าไปคาดว่าอย่าไปอยากให้มันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นมันเป็นอย่างนี้ก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ต้องมีจุดยืนของเราเราก็จะไม่กินอยู่ดีเราจะกินเท่าเดิมอยู่ดียาไม่เรานผลหนูโดนกิเลสเล่นว่าโดสวัสดีพระอาจารย์เช่วันนี้แบบเข้าตัวหนูเลยพระอาจารย์ถึงข้านแจว่าบอกว่า ขอว่าอาจารย์แบบจะลองขอพรยอาจารย์มาทุดงวัดแล้วว่าไปทานสองมือฝันเพี้ยงสักสามวันหรือว่าห้าวันเพื่อที่ว่าจะมาดูผลการปฏิบัตินะคะว่ามันดีขึ้นไหมเพราะว่าตั้งแต่หนูทานมือเดียวมาเนี่ยถิงแม้จะมีหลุดไปบ้างเคยเดินเพี้ยงมาแต่ก็ไม่บ่อยเลยค่ะเคยเคยหลุดสองมือบ้างอะไรเนี้ยตอนนี้เมันกับว่าสติอะกําลังของสติมันลดลงอย่างนะะี้เลยค่ะอาจารย์เหมือนก่า พอหิวปุ๊บมันจะไปโฟกัสแต่เรื่องหิวเรื่องกินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยสค่ะแล้วพอมามามื้อทีเดียวเนี่ยมันก็มากินเยอะก็มากังวลกับการกินเยอะแล้วพอพอมาตอนเนี้ยมันก็มากังวลกังวลเรื่องว่าคือยี่สิบคำเนี่ยหนูว่าจะกินคำตโตๆมั้ยก็สคพอาจารย์เพื่อที่ว่าไม่ให้มันผีไอที่พอพอกินคําตัวตรงแล้วก็มากังวลว่ามันเป็นการกินที่ไม่สํารวมอะไรอย่างเงี้ยสคพอาจารย์มันไม่น่าดูเวลาไปใครมานั่งกินด้วยนี่มันมันน่ามันไม่น่าดูเลยสคพอาจารย์ ก็กินตามปกติคําปกติไม่ต้องไปกลัวความหิวถ้ากลัวความหิวก็มันก็ประจับปฏิบัติไม่ได้ต้องยอมรับว่าความหิวก็คือความทุกข์อย่างหนึ่งที่เราจะต้องเจอมันและจะต้องยินดีต้อนรับมันเอี่ยไปอยากให้มันไม่เกิดหรือแม่ไม่มีไปมันมีไปมีไว้เพื่อทดสอบกําลังสติปัญญาของเราไป เหมือนมันะวหิวก็ถ้ากวหิวก็กินมันให้เต็มที่ไปเลยนี่ค่อย่ามันเทียยี่สิบคำให้เสียเวลาเที่ยี่สะได้มันมีทุกข์เป็นมาทุกข์กว่ามีปัญญาบอกเกิดใช่ไหมมันมันเห็นทุกข์จริงสักขาพายตาลทุกข์ที่เกิดจากความหิวแล้วความอยากที่ว่ามันเหมือนมีการรอกินว่าเมื่อไรจะถึงพรุ่งนี้จะได้กินแล้วมันจะได้หายหิวคือมันอยากให้หายหิวอะไรอย่างนี้ก็ขาพายการ ความอยากความอยากหายหิวความหิวไม่ใช่เป็นทุกข์หอกเป็นตัวความอยากให้มันหายหิวเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าเรายินดีกับความหิวมันก็จะไม่ทุกข์มันก็แฮปปี้หิวก็ดีเหมือนกันเลยอาจารย์ก็คือต้องียึทําไปก่อนใช่ไหยครับอาจารย์เพราะว่าหนูก็เกิดนี้ว่าสมมติว่าถ้าอย่างอันนี้ก็แล้วแต่ตัวเราต้องพิจารณาหรือว่ากําลังเราสู้ไหวไหม แล้วร่งกายมันรับไหวหรือเปล่าก็ต้องดูว่านั่งกินแบบนี้แล้วมีอาไม่นั่งกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นอะไรไปหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็ก็กินต่อไปค่ะแต่ต้องมีการอความหิวการจะขาดไปตงต้องเปลี่ยนทัศนคติอย่าไปนั่งเกตความหิวต้องยินดีต้อนรับความหิวจะมีสุขเวลาความหิวว่าโอเคค่ะ ซั่งคิดได้ก่อนก่อนที่จะมาเข้า Zoom นี่สิคะพระอาจา ร, รายา์กที่พระอาจย์คยบอกว่าความหิวเนี่ยมันเหมือนเป็นโรค ก, กันหนึ่งของร่างกายเหนูก็คิดว่าถ้าส ม, มูว่าความหิวเนี่ยมันเป็นโรคของร่างกายจริงๆแล้วมันเป็นโรคที่รักษาไม่หายเป็นโรคที่แบบเป็นโรคประจําร่างกายเลยนะ่สิคะระ อ, อาจารย์มันซึ่งไปคิดได้ว่าถ้ามันเป็นโรคประจําตัวของเราเนี่ยคือเราจะแก้มันจะรักษาได้แค่ชั่วคาวหรือการกินข้าวเข้าไปให้มันหายหิวแต่ทีนี้มันก็จะหิวใหม่ก็เหมือนเราเรากินยาเราต้องการกินข้าวก็คือเหมือนกับการกินยา ตัว น, นี้ขื่นคำพูด้ายตาใช่ไหมว่าให้กินข้าวเหมือนกินยาอะไรอย่างเง<ฤ>้ยค่ะสายตมันก็เลยมาซึ่งมาจะได้แบบนี้แต่มันยังไม่ได้ไม่ได้สุดใจที่จะให้ขึ้นมาจากความกังวลอย่างนี้นะคะเพียงแต่ว่าเพิ่งจะนึกได้ว่าถ้าสมมุติมันเป็นโรคโรคประจําร่างกายเราเนี่ยคือทั้งนัมันเป็นโรครักษาไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กับมันให่ได้ต้องยอมรับมันให้ได้เลยค่ะสาายตาแต่มันไม่ได้ ไ, ดไม่ได้ยังไม่ได้ยความหิวไม่ได้ความา ห, วหวิวความหิ ว, มหว่าเป็นสัจธรรมอย่าง อย่าไปกลัวมันอย่าไปอยากให้มันหายให้มันมาตามอัธยาสัยมันนึกอยากจะมาก็ต้อนรับมันไม่ต้องพยายามกินเยอะๆพระที่อากันไมให้มันมาความกลัวหิวนี่เป็นการเป็นความทุกขึ้นมาอีกชั้นหนึ่านั่นแหละมันเป็นความทุกข์อางชั้นหนึ่งตวามหิมันเป็นเวทนาทางร่างกายแต่ความกลัวหิวนี่มันเป็นทุกข์ทางโลเยศาสตร์ใช่ไค่ะ อันนี้เราแก้ได้อย่าไปกลัวต้องกล้าสู้สมันมันจะมาก็มารับรู้มันเฉยๆว่าอาการอย่างนี้มันคือความหิวมันก็ไม่ได้ทำให้เราตายไปให้ใช่ไหมแล้วบางบางวันในส่ยเจ้ขาขาการอย่างที่หนูไม่ได้เน้นการปฏิบัติแล้วหนูต้องไปทำงานทางโลกนะคะตรงนี้มันค่อนข้างจะทำให้ คือสติหมูในการทํางานเนี่ยค่อนข้างจะลดลงเหมนกันนะคะอาจารย์เพราะมันจะไปกินปกติไปกันแล้วถ้าต้องไปปฏิบัติถ้าต้องไปทํางานก็กินปกติไปทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไม่ได้ปฏิบัติทางการทํางานทางโลกแบบนี้ก็ต้องแยกกันเป็นเป็นพเป็นช่วงๆไปช่วงทํางานทางโลกก็กินไปตามปกติไปเหมือนคนทางโลกเขากินกันไป แตห่หนูก็ยังอยากจะรักษาเมื่อเดียวไว้นะจคะ่ะอาจารย์แต่มันก็มี ม, มีบอกว่าลองลองไปดูสองมือ้อแต่ว่าลองสองมือ้อแต่ให้ได้ก่อนเที่ยงแล้วก็คือในหนึ่งมื้อให้ยี่สิบคำแต่เปลี่ยนเป็นจากหนมื้อเนี่ยให้เป็นสองมือ้อแต่มือ้อละยี่สิบคำดูอะไรนะะะี้ค่ะแต่ก่อนเที่ยงเพื่อปรับดูว่าการสกิบสัตย์ของเราเนี่ยจะมีความก้าวหน้าขึ้นไหมหรือว่ามันจะถดถอยลงอะไรกคะ่ะดูว่าเราจะไปโฟกัสไปกังวลแต่เรื่องการกินไหมหรือว่าเราจะเจริญสติได้ดีขึ้นอะไระนี้จ ผู้ใหญ่จะลองเหมือนกันแต่ก็ใจหนึงมันก็บอกว่ามันมันจะโดนจิเลสหลอกไหมมันจะดึงให้เราถอยหลังไหมอะรงี้ยจ้ะค่ะเป็นภาพเพื่อนเพื่อนก็ถอยหลังอยู่แล้วล่ะเราทานพวกกว่าจะมาตรงนี้ได้คือถึงได้มันจะมีหลุดไปบ้างอะไรเงี้ยมันมันจะเรื่องที่ยากมากคแต่ถ้ามีเหตุผลว่าเราจะต้องหยุดการปฏิบัติเชื่อค่าวเพราะเราต้องไปทํางานก็ยอมรับความจริงดีกว่าแล้วกินตามปกติทำงานไปกับตาบปกติไปจะค่ะ การงานของหนูมันก็ไม่ได้ใช้แรงมากมันใช้แรงมากก็แค่แบบว่าเป็นบางช่วงหรือไปจารย์รทรมทำตรวดหน้าบ้านหรือว่าก็บงทีหนูไป<ม><ค>นอูทเลยว่าต้องไปทํางานมันก็เลยเป็นหนัวประสาทขึ้นมาจะห่อาอาจารย์ให้ะให้ไปงานทานํางานไม่หัวประสาทเวลานั่งทางานหรือต้องต้องทํางานเนี่ยที่ไม่ใช้ไม่ใช้แรงมากก็จริงแต่มันเวลามีอาการที่ท้องจะข่าอาจารท้องมารู้สึกว่ามันแสบท้องขึ้นมาเนี่ยมันเลยทำให้ตรงนี้ครัมันจะ ไปโฟกัสแต่กอาการเห็น่อตัวก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะปฏิบัติได้ก็ต้องยอมรับความจริงต้องไปทํางานก็ก็กินในปกติไปนะคะนันก็คือปกติไปหรืออยากจะอยากจะถือไปอยากจะอดไปก็ลองดูด้มันอดไปด้วยทํางานไปเรื่อยมันไหวหรือเปล่านะคะก็คือเดี๋ยวหนู ลองดูอีกสักหน่อยเจ้าค่ะอาจารย์ว่ามันมันเป็นยัางไงาถ้าไม่ได้หนูอาจจะปรับแต่ว่าคือมามื้อเดียวแล้วหนูก็ไม่อยากจะทิ้งตรงนี้เลยเจ้าค่ะอ า, าจารย์<ม>ถึงแม้ว่ามั น, มนจะทําให้หนูแบบก็ค่อยจะกังวลกับเรื่องการทานมื้อเดียวทเหมือนกันเจ้าค่ะอาการดีกว่าที่หนูทํามาคือมันก็ค่อยจะกังวลเรื่องกลัหิวเนี่ยเจ้าค่ะอาการที่หนักสุดเลยทำให้หนูไม่ค่อ ย, ไ ม, อยไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยเรียนเปิดวันนี้ก็พุงซานทั้งวันถือว่า โอ้คิดว่าจะเข้าซูเจ็คว่าของพายจาจยังไงจะคกับเรียนพยใจาย์ยังไงดีอย่างเี้ค่ะเรื่องเรื่องนี้อาจารย์พยาจารย์ถ้ารักษาได้กันดีถ้ารักษาไม่ไดนมีเหตุบงังคับให้รักษาไม่ได้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงไปแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเน้นการปฏิบัติเ น, นี่ยมันเอื้อมากนะก็ค่ะพายาจารย์กับก า, ารทานที่สิทคำที่ที่ไม่ต้องทานให้อีกมากเพราะว่าความง่วงเนี่ยหายไปเยอะเลยก็ค่ะพยาจารย์ ความใครที่มีขนาเรื่องแบบนีาทำง่ ว, วงนอนเนี่ยเรื่องนี้ช่วยได้มากมก็ค่ะนั่นแหละถ้ามันไม่ไม่ต้องทํางานมันก็โอเคแต่ถ้าทํางานมันก็ จ, จะรู้สึกเหมือนก็อาจจะไปทําให้การทํางานไม่ไม่มีสับ ป, ปะสิทธิภาพเพราะเรามามัวกังวลกับความหิวอยู่ยแล้วพอพอหนึ่งเพิ่มการปฏิบัติเนี่ยรู้สึกว่า เลื่อนงานมันเป็นอุปสรรคในการเจาะขาปลายจงเพราะมันมันต่างกันมากเวลาที่หนูได้มีเวลาปฏิบัติกับเวลาที่ไปทํางานก็ค่ะมันมันจะขัดกันมากมันจะเห็นเห็นควางดิ้นมันมากิเลสมันมาเป็นเลยก็ค่ะปลายจางงั้นถ้าอยากจะไปทางใดทางหนึ่งก็ต้องตัดไปมันก็ต้องตัดเรื่องอืนไปถ้าอย่างยังยังทํางานอยู่มันก็จะปฏิบัติปฏิบัติมันก็ไปไปได้ยาก ถอยกจะไปได้ง่าย้ววงไวก็ต้องตัดการไปทำรตยการปฏิบัติอย่างเดียวเดี๋ยวหนูจะลองปรับดูสิค่ะอาจารย์จะจะลองดูเร่าปฏิบัติทำก็ขัวการทำงานไปได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ทำไปแล้วกันเพะมันมันมันสวทางกันสาหรับหนูคือหนูจารับว่ามันส่วนทางกันมากป่ะค่ะ มันเห็นถึงความแตกต่างระหว่างการที่เรามีเวลาให้กับการปฏิบัติถึงแม้ว่าจะยังล้มลุกคลานว่าเจ็บเพียบหรืว่าเวลาเราต้องทํางานเนี่ยความโลภอะไรมันมาเลยเจค่ะอาจารย์ทั้งความโลภทั้งความอะไรต่างๆนานาอะไรเนี่ยเจ้าค่ะเหมือนเหมือนโรคก็ต้องเอาทางใดทางหนึ่งนะะคเหมือนจากาแฟนอนแล้วกาแฟเย็นกเย็นต้องสองอย่างมันก็ไม่นอนมันก็ไม่เย็นะบวนกันเข้าไปอาจารย์ฮะ ทํางานก็ไม่มีความจุปฏิบัติธรรมก็ไม่มีความสุขไปคาบาจารมันมันดึงกันมากมาแต่ถ้าถ้าจะไปเลยตอนนี้มันก็ยังไปไม่ได้เลยในตากาพยามันมันอยู่งี่ไปก่อนแล้วกันอก็อยู่งี่ไปก่อนแล้วกันสรุปแล้ว้ก็ก็ต้องอยู่ที่ไปก็นแล้วกันอาจารยจะถ้าไปได้นี่หนูอยากไปเลยในตากาพยานแต่มันติดที่ว่า ไงไงอย่างพูดเลยต้องอา ก, การกระทำเ ป, เป็นเป็นตัวตัวแสดงดีกว่าตัวพูดการ์ตูนก็พูดได้นั่นแหะอาจารย์มีที่อยู่ไหมเจ้าคะอาจารย์โอ้ยต้องหาเองเลยเราเราเวลาบวช <c oughs> เราก็ต้องหาที่ของเราเองเราไม่เราก็ไม่มีที่ไปก็ต้องหาม <c oughs> ันหาจริงๆมันทํามันจะหาไม่ได้วันในเมืองไทยไม่เป็นหมื่นขี้เกียจหาเ มันไม่ขี่เกียจหาเองมันไม่ค้นคนวา้ามันกนถ้าจะไปทางนี้จริงๆอะมันมันมันจะหาเองมัน้องกลัวเราลาไปเที่ยวในประเทศไหนมันยังค้นหาที่อยู่ได้เลยใช่ที่ไหนราคาเท่าไหร่ <c oughs> วัดก็เหมือนกันวัดเขาก็มีข้อมูลต่างๆลองเสิร์ชได้กูก็ดูก็ได้ <c oughs> แต่มีก็ถ้าจะเอาจร e ิงนี้น่าจะถามพี่ที่รู้จักกันได้จะค่ะปาารย์แตก็ติดตรงที <S 2> <S 2> <S <S ่ว okay. yeah. yeah. ่ามันยังไปไม่ได้ตอนนี้เรื่องอาจารย์แต่หนูคว่าหนไม่ได้มีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยอาตามอย่าไปพูดเสียเวลาเลยครัะท่านนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวหูกลับการปฏิบัติดยเจ้าค่อาจารย์ะคยดวยกัรนพูดไปมันก็วนอยู่ในห่า ใจนึงก็อยากจะปฏิบัติใจนี้ก็ต้องทำงานครับมันก็เลยชวเงินไปชดเงินมาอย่างเงี้ยเอาลเอลอลาดีกว่ายดปยินดีต่อเป็นยินดีต่อจะอยู่กี่วันยังจะใกล้กลับไปสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ก็มาอยู่ประมาณเดือนครึ่งค่ะประมาณนี้ไยาว งานพอนสมควรนะค่ะอาจารย์เดวิดจะตามมาแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ตามมาไม่ตามค่ะท่านอาจารย์นะเพราะว่าเพิ่งเริ่ ม, ม, มงานใหม่ค่ะไม่มีเวลาเยอะนะค่ะปีแรกมันก็เหมือนแบบว่าเราตัดตรงนั้นไปแล้วตอนนี้มันต้องเริ่มปีใหม่ก็คือต้องเป็นอีกปีหนึ่งแล้วก็พอ<ม>ช่วงประมาณจูหรือจูลายนยคะ่ะมันจะต้องกลับไปขอวีซ่าที่ฝรั่งเศสอีกครั้งละคะ่ะท่านอาจารย์<ม>ดังนั้นฮอลิเดดก็เลยต้องต้องมีไว้สําหรับแม่เขาหน่อยนึงอะคะ่ะ แต่นิดนึงเพราะมันก็ได้แค่ไม่กี่วันนะคะเพราะมันเป็นเดือนนับตามเดืนอนค่ะค่ะหนูก็เลยกลับมาก่อนอแต่ปีหน้าแต่เดวิดฝากความคิดถึงท่านอาจารย์มาค่ะเพราะว่าเขาบอกวันนี้เ อ, อลงซุงท่านอาจารย์ <laughs> จากเมือ ง, งนอกนค่ะจาเมืองนหนูก็ยินดีใจก็โอเคค่ะท่านอาจารย์เขาบอกฝากกับ ความคิดถึงท่านอาจารย์แล้วก็บอนรงเต้ให้อาจารย์ด้วยนะ <Okay. S 2> โอเ ค, ค่อขอบคุณกลับไปค่ะขอพระคุณท่านอาจยอย่างสูงกับท่านอาจารย์ออคุณชนะดางอยู่ศิลัชชาอยู่สมวัสดิาการอยู่ศิลัชชาเจ้าค่ะผอาจารย์เตรียมตเตรียมตเตรียมอาหาร<ม>ใส่บาตรพรุ่งนี้ด้วยค่ะพผอาจารย์น อาจารย์เจ้จาค่ะความเพียรตรงกันข้ามกับความขี้เกียจใช่ไหมคะใช้อพยายามเนี่ยความขี้เกียจมันจะอยู่ด้วยกันได้ไงเหมือนกาแฟร้อกาแฟเย็นมันอยู่ด้วยกันไม่ได้พี่พระอาจารย์กําลังรักษาโรค ท, ที่ที่ลูกเป็นอยู่อจาจารย์ทราบว่าลูกขี้เกียจทุกคนเนี่ยคนปฏิบัติธรรมนี้เวลาปฏิบัติไม่ขี้เกียจน ะ, ะแต่เวลาเที่ยวนี่ไม่ขี้เกียจเลยขยนัน จริงมากเลยค่ะพระอาจารย์เวลเที่ยวเวลาเล่นนี่กี่เลยมันชอบมันไม่อได้มาปฏิบัติธรรมเนี่โอ้โหมันมือนกับเข็นโคกขึ้นภูเขาเลยค่ะพระอาจารย์ต้องใช้ความพยายามมากถึงจะเข็นโคกขึ้นภูเขาได้อยากเที่ยวลเล่นนี่มันเดินลงเขาสบายไม่ต้องออกแรงเลย แต่มันลงมาเดียวมันจะลงไปที่ต่ําไปเรื่อยๆถ้าไปเที่ยวไปเล่นจิตใจมันก็จะตกต่ําลงไปเรื่อยๆข้าพเจา้าจา์ค่ะต้องปฏิบัติจิตใจจะได้ขึ้นสูงได้ค้าพเจ้าจานเวลาเอ่ออย่างเอ่ออย่างลูกไปใส่บัตรที่วัดอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่าพเจ้าจานเรา ช่วงที่เราก็คือไม่ค่อยได้คุยกับใครเท่าไหร่อะค่ะพระอาจารย์ทีนี้จิตเวลาเผลอมันชอบคิดไม่ดีอะไรเป็นระยะระยะอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็เห็นความนิสัยไม่ดีของตัวเองเป็นระยะระยะอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่จิตที่มันชอบปรุงไม่ดีเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นอาการของอะไรไม่ทราบอะค่ะพระอาจารย์มันเป็นประมาทมันเป็นอะไรก็ไม่ทราบอะค่ะพระอาจารย์มันเป็นกิเลสยกตนของท่าน อืมค่ะผาจานมันจะคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นตําหนิคนอื่นจนเหมือนไม่ยอมตําหนิตัวเองค่ะผาจารยนเราต้องย้อนสอนมันเวลาเราไปตําหนิเหมืนนั่งถังเอาตัวมือมาเป็นยังไงมาค่ะผาจานมีตัวเรามีอะไรที่ไม่ที่เราไม่ตําหนิมีไหมที่เราค่ะผาจานเราเราเราวิเศษแล้วเหรอเราค่ะผาจารยนมาย้อนจำมาแล้วมันจะได้ไม่กล้าไปไปว่าคนอื่นต่อไป มันพุ่งปูดไปเลยอะค่ะพรอาจารย์กวพอมูดก็นึ่งมันกลับมาแล้วแล้วตัวเป็นยังไงก่อนที่จะมาลาสังเกตนะว่าตัวเราเองได้หรือยังนแล้จารย์ตัวเราไม่มีความบกพังบ้างหรือยังไงถามตัวเองเดียอค่าพอาจารย์ใช่ค่ะไปเห็นได้ยินคนอื่นเสียงดังหรืออะไรเงี้ยค่ะพรอาจารย์แล้วว่าเขาก็ไม่เกิดไปอยู่อะไรพระอาจารย์ก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรเขา สู่ว่าเราดีกว่าว่าเราแล้วเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองให้ดีขึ้นบางทีรู้ก็ยังคิดว่ามันเอ้มันใช่เราหรือเปล่าเนี่ยที่มันปรปรุงแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค <พา S 1> ่ะผ่านจากตัวเราหรอือความคิดก็เป็นความคิดออืคิดดีคิดไม่ดีมันก็มีกุศลหรือไม่มีหรืออกุศลด้วยกลางกลงนะความคิดกลางๆก็มีอยู่สามแบบอฮ มันก็เป็นของมันไปเองอะไรอย่างเงี้ยหรอคะพระอาจารย์นาแต่น่าแต่กิเลสหรือธรรมที่เรามีในใจไหมถ้ามีธรรมมากมันก็จะหนึง่งไปคิดทางกุศลไม่กล้าไม่กล้าตําหนิใครไม่กล้าไปยึไปอะไรกับใครของคนหนึ่งเขาแต่ถ้ามีกิเลสกิเลสมันจะกล้าชอบด่าคนอื่นชอบว่าคนอื่นแต่ไม่ชอบดา่าตัวเองครับอาารย์อืมค่ะ<ห>ใช่นช่นก็เป็นธรรมกับกิเลสนะที่อยู่ในใจที่ต่อสู้กัน ส่วนใหญ่กิเลยแล้วมันจะมากกว่าทํามันก็เลยคิดไม่ดีใช่มากกว่าคิดดีใช่ค่ะพระอาจารย์พอพอละเอียดละเอียดแล้วพวกนั้นมันเห็นมันเห็นเยอะเลยค่ะพระอาจารย์จากที่เราคิดว่าอืมไม่ค่อยยุ่งกับใครแล้วคุยกับคนอื่นน้อยลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ความความที่มันอยู่ข้างในมันมันมันเป็นของมันอย่างเอาคิดเราว่าเราไม่ยุ่งกับมันเป็นแต่ความคิดแต่ความจริงแล้วมันยังชอบยุ่งกับคนอื่นอยู่เลย ค่ะค่ะใช่ปตําหน่งคนนั้นตัดตำหน่คนนี้อ่ะค่ะอื ม, อมใช่ค่ะผ่าอาจารย์ก็ต้องเอาธรรมะมาสอนมาแก้นเรื่องของคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องของเราไปตําหน่เขามันก็ไม่จะทําให้เขาเปลี่ยนไปต้อมาแก้ตัวเราเองดีกว่าค่ะผ่าอาจารย์แก้ตัวเองด้วยการไม่ไปตำแหน่งพูดการตำแหน่งพูดนลิกดีเลิกตําหน่งพูด ลูกข้างจะทำหนี้กันอ่าอย่าตำหนี้อย่าตำหนี้ค่ะจำหลับจำหลับใจเราไวเตือนใจหรือตามไปมันก็จะไม่กล้ามันก็จะไม่อยากไปทำหนี้ใครค่ะผ่าจารย์ค่ะคนในโลกนี้ก็มีมีทั้งดีทั้งชั่อแล้วค่ะตัวเราก็มีทั้งดีทั้งชื่วค่ะผ่าจานช่วยเรามาแก้ตัวที่ตัวเราดีกว่าเอาความเชื่อให้มันหมดไปให้เหลือแต่ความดีดีกว่าเหมือนพระพุทธเ้าพระสาวองค์นันมาแก้ที่ตัวนั่นเอง ค่ะผ่าอาจา ร, ย, ย, ากรกาย์อย่าไปแก้กันเลยอย่าไปตำหนิกนันเลยรู้เรื่องก่อน ว, <า>วางรั่วเขาไม่ดีก็รั่วเรื่องของเขาไปเขาดีก็เรื่องของเขาไปไม่ต้องไปตำหนิเขาค่ะเหมือนเหมือนเวลาที่เราผิดหวังกับคนที่สนิท ก, กับเราอะไรเงี้ยค่ะพ่าอาจารย์อพอเรารู้สึกผิดหวังกับเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เฟะตัวเอง เออเฟะก็ใช่ค่ะพระอาจารย์เราก็เฟะตัวเองออกมานะคะไม่ไม่ทะเลาะกับใครไม่จาไม่ทะเลาะกับเขานะแต่ว่าเฟะตัวเองออกมาอมันยอมรับความจริงของเขาก็เป็นอย่างนี้อืแต่ลูกก็ยังคิดอยู่ว่าเออเราทำไมยังต้องรู้สึกอย่างนี้กับเขาเรายังมีความอยากอยู่อยางให้เขาไม่เป็นอย่างนี้เพราะเรามักจะมองคนบางคนเราก็ยังมีภาพที่ดีของเขาไว้อยู่ เก็ไม่เป็นอย่างตั้งหลังที่ภาพเราเราก็ เ, เสียใจใผิดหวงังอันเนี้มันก็เป็นกิเลสความอยากออย่าไปวาดภาพของคนดูตามความเป็นจริงดีกว่าค่าถาจารย์บางที่เราเจอจคนเจอคนใหม่ๆนี่เห็นเขาดีเป็นหมดเลยใช่ไหมเราอยู่เป็นานานเครับความเห็นของเรานี้ยมันไม่ตรงกับความจริงของเขาเลยอืม ค่ะพระอาจารย์แต่ไปอย่าไปวาดภาพอย่าเป็นึกว่าเ้าดีให้เอาอดูดูตามความเป็นจริงดีกว่าค่ะพระอาจารย์ค่ะครั้ ง, งที่แล้วพระอาจารย์ทราบเหรอคะพระอาจารย์ให้เข้ามาทานกล่องอราไม่หรอกก็มีอะไรก็แบ่งกันกินกันไปตามเราก็อยากจะทำเมทำทนกัน่ะ ขอบคุณค่ะผ า, า, า้อาวุโสครั้งที่แล้วนึ ก, นกในใจเฉยๆเบาๆ เ, เ, เ, เ, เ, เ, เองค่ะผู้นึกในใจเฉยๆเล็กๆด้วยค่ะผู้อาวุโสที่แบบว่าเอะเราเราทําอาหารคือพยายามจะทําแบบว่าให้ดีนะคะพระอาจารย์ก็ก็คือล้างผักให้สะอาดอะไรเงนี้ค่ะพาาู้อาวุโสแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้แบ่งไว้กินเองสักทีหนึ่ง เอาไปใส่บาตหมดเลยแล้วก็เลยพอพอพอใส่บาตรพอกําลังพระพระอาจารย์ยังไม่มาใช่ไหมคะลูกก็แบบมึกเอาแล้วเราจะกินอะไรก็จะต้องไปเดินหาซื้อใช่ไหมคะแล้วก็เลยบ่นในใจเงียบๆเองค่ะว่าแบบเออเ่านี้มันบ้าว่าทํากับข้าวดีๆแล้วไม่แบ่งไปกินไม่ฉลาดเองแล้วก็ไปหาซื้อกินไม่รู้ว่าผักเขาล้างเี้ยงแล้วใส่ผงชลหรือเปล่าเลควาอยากได้บุญเยอะๆมันก็เลยไม่คิดถึงตัวเองไปที่แต่เรื่องบุญอย่างเดียว โหแล้วพระอาจารย์ให้ข้าวกล่อง น, นั้นมาแบบเป็นเป็นกล่องที่แบบเละไว้เลยว่าคนข้างๆเขามาทําเขาทําอะไรมาใส่บาตดูหน้าทานจังเลยสงสัยเขาจะทําดีแน่เลยเนยก็ <c oughs> เลยได้กล่อง น, นั้นมาทานจริงด้วยค่ะพระอาจารย์พระอาจา <c oughs> รย์รได้ย <c oughs> <c oughs> ินอดีตก็ขอบคุณขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะไม่หนาวมันแล้วแต่ แล้วแต่มันมีอะไรใกล้มือก็หยิบไปเลยเห็นใครมาก็หยิบไปพูนเคยได้เองค่ะพระอาจารย์แตนก็ไม่อยากจะทําบ่อยให้มันเต็มไม่นด้จ่ยเดี๋ยวมันเป็นภาระต้องคอยให้คนะ่ะผ่าจารย์เข้าใ จ, าจาค่ะผ่าจารย์ค่ะได้ค่ะพระอาจารย์เขามีพระอาจารย์มีอะไรแนะนําลูกต่ออีกไหมคะพระอาจารย์ก็เดทําบุญอย่างนี้เดททำเวลาให้ของให้ของดีๆเขาแต่ให้ของที่เราจะทิ้งแล้วมันไม่ได้บุญเท่าไหร่ใช่ไ่ะ ให้ของดีของที่เรามีความรักความหวงนี่ให้ได้มันจะทําให้ใจเรามีความสุขมากค่ะผ่าจา่าให้ของไม่ดีไปทำไมรู้สึกเฉยๆไม่เอาของไปทิ้งถังกรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะผ่าจา่างั้นถูกต้องแล้ที่เราทําของดีดถาวายพระนั่นเองแต่เราถ้าต้องคิดถึงอะไร่าเราก็ต้องกินก็แบ่งไว้ได้ส่วนหนึ่งสําหรับตัวเราเองค่ะผ่าจ่าก็ว่า กลัวบาดแล้วกลัวจะบาดเพราะเป็นกิเลสนะบางทีก็บางบางทีมันก็บางทีทําเองก็ไม่อยากกินนะคะพระอาจารย์มันก็เป็นอะไรของมันเป็นบางทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่พอไปนึกพึ่งวันนั้นพึ่งนึกเองค่ะว่าโอ๊ยเรานี่มันบ้าหรือเปล่าทําของไปใส่บัด ถ้อย่างดีตัวเองไปหาซื้ออะไรกินก็ไม่รู้ค่าพาจารย์ก็ดีคนบางคนก็ไม่ค่อยคํานึงถึงตัวเองเท่าไหร่คํานึงถึงผู้โยอย่างนี้ก็ดีค่ะโดยมากคนหก็ได้จริงของดีๆแต่ตัวเรากินของอะไรก็ได้ค่ะบางทีก็ซื้อของแพงๆให้คนอื่นแบบตัวเองใช้อะไรก็ได้ไงค่ะใช่เราก็ใช้ของถูกๆไปใช่ค่ะพาจารย์ก็ดีนี้นิสัยการทำบุญน้อยแคเป็นอย่างนี้มากน้อยสังเดลกับตัวเอง แต่กับคนอื่นกอนนี่ไม จ, จะจะทำให้อย่างดีเลยจะค้าพ่าจ้ okay. <ด>าโอเคได้ค่ะกล่าว ข, ขอบพระคุณค่ะผ่าจานคุณมาริการนาลาเทวะกล่าวประมาท ก, การจะถามแมจา์ามาอย่างไรมีอะไรไหมไมหมด้ ย, ยินไค้าจาได้ยินแต่ค่อยหน่อยค่ะก็ก็ปฏิบัติอยู่นะคะพระ้าจา์ ก็ตอนนี้นั่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแบบเป็นคนคนขี้โมโหนะครับอาจารย์เพราฉะนั้นก็เรามาเจอคนที่โมโหแล้วก็ตกใจนะครับอาจารย์เพราะว่าโอ้มันน่ากลัวถึงขนาดนี้หรือการที่ว่าเห็นเขาโมโหแล้วเราก็นะักยืนดูเขาแล้วก็อืมน่านะกลัวเนาะก็ก็เลยบอกตัวเองว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้อง ปรับเปลี่ยนเพราะว่าถ้าได้นี่ได้เจอพ้าจารย์มาก็ได้พยายามจะศึกษาแล้ก็ปฏิบัติที่จะต่อสู้กับตัวกิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในในชีวิตประจำวันนะครับพราจารย์ก็กมาปรับใช้เรากดไปสามตัวนี้ตัวไร้กัดใช่ค่ะพราจารย์ก็คือสิ่งหนึ่งที่ว่าเราทำให้เราเป็นกานที่ว่าเกิดมีความทุกข์ การอาฆาตการพยาบาทโอ้น่กกากลัวมากว่าเห็นแล้วก็กลัวแล้วก็ตกกระใ จ, จมากเลยต้องฝึกใช้เมตตาใอ<ช>ภัย<ห>อย่าจองเวรจองกรรมกันแต่บางทีเราก็น้อยๆน่อยนะคอาจารย์บางทีก็ในความรู้สึกว่าทำไมเรื่องนิดเดียวทำไมเขาถึงโกรธถึงขนาดนี้แต่พอ <ừ. S 2> ลูกย้อนลูกย้อนถึงถึงถึงตัวเองว่าในสมัยที่ว่า เรารุ่นเดียวกับเขาประมาณสักยี่สิบกว่ากว่านั้นเราร้ายขนาดไหนก็โอเคค่ะอาจารย์คนจะร้ายก็เรื่องของเขาไปเราห้ามก็ไม่ได้แต่เราเราคนเราห้ามตัวเราได้เราจะไปร้ายกับใครก็แล้วกันเจ้าค่ะพระอาจ า, ารย์อาแผ่เมตตาไว้เรื่อยๆสเปสตาเวลาหุ่นตุก ขออย่ามีเวรเป็นกรรมกับใครเลยเธอเจ้าค่ะพระอาจารย์มีก็ขอให้อภัยกัาไปใช่ก็เหมือนกับที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้หลบอกว่าถ้าการปฏิบัติตัวเองนะก็คือจะมุ่งให้ผู้อื่นมากกว่าแต่พอพอพอพ อ, พ อ, <S 1> <S 1> พอสิ่งที่เราให้ไปแล้วก็เขาให้เรามาแบบแบบไม่เต็มที่ เรารู้สึกว่าเออทำไมเนาะเขาจึงไม่ไม่เห็นใจเราบ้างอะไรประมาณนะั้นอย่างอย่งางมีอันนี้ก็ผิดแล้วเราอย่าไปหวังว่าจากใครเวลาให้ใครนะเรา <c oughs> เราหวังเพียงเนี่ยความสุขที่เกิดจากการให้ของเราก็พอส่วนคนอื่นเข า, าจะตอบแทนไม่ไหอยางไงมันไม่ใช่เรื่องของเราเพราะแต่ละคนก็มีความยึดติดความตนมากน้อยต่างกันไป บางคนก็ให้ได้มากบางคนก็ให้ได้น้อยเ จ, จ้ขาดพ่อจันก็รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันเราจะได้ดไม่ทุกใช่มันจะได้ไม่ทุกอย่าไปหวังอะไรจากเขาเร า, เราทําใำไม่ได้หวังบุลตอบแทนเราทําเพื่อสงเคราะห์เขาเพื่อให้เขามีความสุขแต่ว่าการทําตรงนี้ก็ทําให้แค่พอประมาณอย่าให้มันมากเกินหรือน้อยเกินแค่นั้นเองใช่ ก็อยู่ที่คนที่เราทำว่าเขามีอะไรกับเรามากน้อยเพียงไรไงแล้ก็มีคุณประโยชน์มากคุณบุญคุกับเรามากก็ต้องทำมากกับเขาเช่นพ่อแม่อนนี้มันที่มีบุญคุณน้อยก็ทำน้อยก็ได้ใช่ไหมเราจะไปทำคนที่มีบุญคุณน้อยมากแล้วไปทำาบคนที่มีบุญคุณมากน้อย ม, มันก็มันก็ผิดตรรกะนะใช่ไหม แต่ว่าพอเห็นพอเห็นเขาลําบากเราก็เอ็นดูเอ็นช่วยเขาไปตามตามกรรมไปแต่ยังไม่หวังผลตอบแทนจากเขาถือว่าเป็นการการทำเรื่องความสงสารใช่ค่ะมันมันมันเป็นกิเลสมันเกิดกิเลสที่เราก่อให้เกิดไม่มีทางสิ้นสุดถ้าเราอยากมันก็ไม่มีวันมันก็จะเป็นกิเลสขึ้นมาถ้าเราอยากให้เขาตอบแทน มันต้องตัดลูกต้องตัดไอดตัวนี้แหละที่สําคัญที่สุดลูกต้องตัดไอดตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าในเรื่องอื่นๆนั้นเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีในชีวิตแต่ว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันมีมากมันมีมากอารมณ์กโกรธที่บอกว่าตัวเองไม่โกรธนะไม่โกรธนะเพราเอาเข้าจริงๆเพราะว่าตอนนี้พอปฏิบัติก็เยอะเยะมันสิ่งที่เราเจอนั้นมันยิ่งละเอียดละเอียดเข้ามาละเอียดเข้ามาในความรู้สึกมัน มันทําให้เราแบบไม่สบายใจนะครับอาจารย์ที่บอกว่ามันจะทุกข์อยู่เรื่อยเพราะว่าเราตัดมันไม่ลงหรือว่าระาวาังมันไม่ลงครับอาจารย์ว่าเป็นยังไงเลยครับอาจารย์ก็เราเาริญสติปัญญาให้มากขึ้น อ, อมีนยังไม่แหลมคมพอเลยตัดไม่ได้ชยังไม่เห็นเขาว่าเป็นเขาเป็นตายแล้กเขเป็นอนนิจจัง นัตตาเราไม่สามารถที่ไปกําหนดให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เจ้าข้ะอาจารย์โอเคนะค่ะสาธุเจ้าข้พะอาจารย์อคุณปุ้ยตอลักษมณ์เบิร์ดตามน้มมัสการครับะอาจารย์าารเป็นยังไงอาจารย์ได้ยินเปล่า ช, ชอบให้หรือชอบรับมากกว่ากัน ทั้งให้ทั้งรับเลยใช่โยมทั้งสองอย่างเลยมันก็<ด>มันก็เท่าทุนเลยเร<ด>อยากกาไรต้องต้องให้มากกว่ า, า, ากกรับถึงจะกําไรถรับมากกว่าให้ก็ขาดทุนนะถ้าหมายถึงทําบุญโยมทําบุญมากมากกว่าโยมได้รับค่ะอะอย่าไป<แ><แ>วางผลตอบแทนจากการทําบุญนะทําบุญไปแล้วอย่าไปวางผลตอบแทน ขนาดโอแคว่าปีนี้เดือนนี้เป็นเดือนเป็นเข้าเ ข, ข, ข้าปีที่สามที่โยมตั้งจิตอธิษฐานมาว่าจะเดินทางทมได้จะถือศ8แปดโยมก็ปฏิบัติมันเรื่อยแล้วยมก็สงบและท่านอาจารย์ได้บอกว่าลองที่ลองไม่ออกไปนอกบ้านเลยโยมก็ลองโยมก็ทดลองสามวันนี้โยมไม่ไปไหนเลยนะโยมก็ถือศีลแปดโยมทำมาแล้วสามส่งตรงสามอาทิตย์นะต้องสามปีเพิ่งมาทำตอนนี้อ เนะี่ยฮะมทํามาตลอดแต่ว่าเพียงแต่ว่ายมทดลองว่าถ้าเราไม่ออกไปไหนสามวันแล้วเราเร า, เราลองใส่ชุดขาวแล้วเราเราเราลองถือศีลเหมือนอย่างตัวคนที่เขาไปอยู่ที่วัดอ่ะเราลองทําอย่างเงี้ยดูแลอ่ะยมก็ลองทำํำยมก็เอรู้สึกดีดีเนาะใจมันก็สงบมันไม่รู้สึกอะไรมันมันมันเหมือนถ้าเป็นเส้นกราฟในตลาดทุนมันก็จะเหมือนกับเส้นตรงอย่างเงี้ยมันมันไม่ขึ้นตรงอนะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. มันไม่รู้สึกเทือนเนี่ย อือฮะก็ดีเจ็ดเจ็ดเจ็ดมั่นคงเจ็ดไม่วุ่นวาไม่ขึ้นไม่ลงใช่เพราะว่าโยมอารมณ์ร้อนถ้าใครมาพูดอะไรไม่เข้าหูหน่อยโยมก็เมื่อก่อนโยมก็จะแหวกกลับไปเลยแหละแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีค่ะคือคือเราจะตั้งได้ตั้งสติเหมือนกับโยมโดนกระทบมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยมจะตั้งสติและโยมจะคิดได้ว่า เฮ้ยเราควรจะติดต่อไปหรือเราควรจะถอยออกมาคือมันจะทําให้เรารู้ค่ะเออโยมก็เลยแบบจักออกเาียธรรมะแล้วยมอยู่ตรงนี้แหละกับพระอาจารย์โยมเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเป็นลูกศิษย์เราต้องแพ้นะต้องรู้จักแพ้แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร <laughs> ไม่ตาง่ะโยมจําได้คําเนี้ยโยมเข้ามาเพราะคําว่าโยมไปฟังคิปของพระอาจารย์ที่ว่า ให้เมตตาให้สูงที่สุดได้เพราะตอนนั้นโยมเป็นคนที่ว่า <c oughs> ต้องเอาชนะได้ที่นี้โยมแพ้ตรงที่ว่าโอเคโยมเข้าใจคําว่าเมตตาพอเมตตามากขึ้นมากยอมหยุดเ ย, ย, ย็นได้สามอย่างยอมแพ้<า>แล้วก็หยุดหยุดต่อสู้กับเขาแล้วใจเราจะเ ย, ย็นสบายเป็นสาเหตุที่ว่าทําให้โยมถอยออกมาจากงานโยมโยมเสียสละเงินก้อนหนึ่งแล้วโยมก็มาถือสินทียจริงจังแล้วมันทําให้เราได้อะไร อมันมันทําให้เราได้อะไรเยอะแยะอทําให้เราได้คิดได้รู้สึกว่าเวลามันน้อยแล้วพระอาจารย์เวลามันเหลือน้องช่ววันสั้นน้องสั้นน้องชีวิต น, น, น้อสั้นลงไปเรื่อยๆจริงค่ะแล้วโยมก็เพราะว่าโยมเพระโยมคิดว่าถ้าคนเราเอาจริงเอาจริงเอากิเลสมาตัดกิเลสแล้วมันจะชนะที่ ท, ที่ที่น้องน้องเขาบอกว่า เขาเขาหยุดกินไม่ได้เพราะเขาต้องเอากิเลสมาตัดกิเลสเพราะตอนที่โยมฝึกใหม่ๆตอนสามปีที่แล้วโยมมีข้ออยู่ข้อนึงคือโยมเป็นคนติดสวยโยมก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองลองไม่กินตอนเย็นทีนี้เราก็อ่านคำนึงว่าเออถือสินต่ต้องไม่กินตอนเย็นเพราะเราเป็นคนชอบกินจุดจิกจุกจิกโยมก็เลยเอากิเลสมาตัดกิเลสเอากิเลสที่ว่าโยมเป็นคนติดสวยและทีนี้โยมไปฟังไอญี่ปุ่นมาเขาบอกว่าถ้าเราปล่อยให้เราตัวเราหิวและน้ำย่อยมันออกมา เราจะสวยเอ่อเยยมยมก็เลยเดินทางทำมาได้ตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะเพราะยมกิเลสมาตัดกิเลอย่างนี้เออ่พอหนักหนักเข้าหลังจากหนึ่งเดือนโยมก็เลยว่าเฮ้ย hey, ไม่ได้เราอยู่สิ่แปดเราจะหลงสวยไม่ได้เราก็เลยเลยบอกว่าขอพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าขอเวลาออกไปนอกบ้านขอแต่งหน้า น, นิดเดียวนะแต่ไม่ได้ว่าหลงคีอแต่งไปอวดใครแต่เพราะาเราอยู่ในโลกมนุษย์ เรายังเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ค่ะแล้ก็เลยเออก็เลยคิดว่าไม่บาปนะคะอาจารย์แล้ถือน้อยลงไปได้ไนได้บุญ น, น้อยลงแทนที่จะได้เจ <ภา S 1> ็ดข้อก็ได้เจ็ดข้อโยมได้เต็มอะ่ะอาจารย์โยมได้เต็มอะ่ะสาแล้วถ้าโยมปฏิบัติถ้าไปแต่งหน้าแต่งตามันก็มัมันก็ผิดไปข้อหนึ่งละไ ม, ไม่ออกนอกบ้านเลยพระอาจารย์อืมอาจารย์คะโยมอะ่ะ ทำไม่รู้มันจะเป็นบาปหรือเปล่าโยมไม่ได้ตั้งใจทําจริงๆเลยเนี่ยโยมรู้สึกแบบไม่งั้นมันไม่ค่อยจะดีเลยนะเอใจโยมสบายแล้วแต่ทีนี้โยมไปตัดเล็บให้น้องหมาทีนี้มันมันมันกระโดดอะ่ะแล้วแล้วโยมตัดไปถูกเนื้อหรือไงก็ไม่รู้แล้วเลือดเขาออกแต่โยมก็รักษาเขานะโยมก็ขอโทษอะ่ะโยมก็ไม่มีเจตนาไม่บาปหรอกไม่ได้มีครับตั้งใจ เพราะว่ามีจตนาดีต้องารจะช่วยตัดด้วยเพ่งเขาโยมก็บอกเขาบอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉันอยากจะช่วยเธอเพราะอิเล็กมากแล้วเขาไม่โกรธ้วเหรอกเขารักเรามาเขนรากลรามัรู้เจ้าของแล้วเจ้าของไม่ทำมันใช่เป้นต้องกังวลนะโอเคต้องขอขอไปแล้วนะเวลามันจะใกล้จะหมดนะ พระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ธาตุันแข็งแรงเจ้าค่ะโยมขอนอม <Yeah. S 2> นมถอยสบายเจริญให้ร่ำให้รวยโชคหวยบ่อยๆนะขอให้ถูกค่ะยังไม่เคยถูกศ <c oughs> าสตร์ดูเจ้าค่ะเงิน okay. ก่อนคนแทงถูกเยอะเนะี่ยก็เบอร์ห้าศูนย์ไม่แทงนะโยมไม่รู้จริงๆค่ะโยมไม่ทราบจริงเพราโยมทราโยมก็ถูกไปแล้วก็ยังไม่มีบุญอะยังไม่ถึงข่าวเดี๋ยวรอไปก่อน โอเคสาธุ okay. right. คุณแม่จากคุณต้าเชนคุณหมอน้องกู้จอดนมัสการพรอาจารย์ครัะอาจารย์ครันนี้ผมมาเาร็จวันนี้สายบาทสเองก็ต้องไปทํางานต่อนะไปประชุมนะไปประชุมต่อค่ะพระอาจารย์ตาไปประชุมค่ะหนูก็กลับมานั่งสมาธิค่ะครับผม ก็ยังยังปฏิบัติอยู่ครับตั้งแต่พอาจารย์บอกก็พยายามนั่งสมาธิทุกวันแม้ว่าจะได้วันแล้วไม่เยอะแต่ก็จัดเวลาช่วงเช้าอืครับเด็กๆก็ยังนั่งกันได้เลยใช่ครับก็มีเขินเขินอายเด็กๆอยู่เหมือนกันครับเด็กนะครับผมบางทีบางทีเลยมีคําถามอาจารย์ว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเรามีอาการปวดหรือเหน็บชานี่จริงๆเราเราควรรู้อควรเรียนรู้สภาวะ ของมันไปแล้วอดทนไปหรือว่าเรา เ, เราอยู่กับมันได้เป็นแต่เราไม่อยากจะอยู่กับมันมันเลยทําให้เราทุกข์ขึ้นมาอนะครับแล้วถ้าบอกว่าความจริงเราอยู่กับมันได้แลวิธีอยู่กับมันก็คือใช้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแลวมันจะทําให้ใจเราเย็นทําให้ใจเราไม่ได้ร้อนไปกับมันแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้อย่างสบายครับ แต่ครับจะมีน้องนําปฏิบัติตายคือเราไม่อยากจะอยู่กับมันอนะตัวนี้ตัวไม่อยากจะอยู่เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ตายเราทุกข์ทรมานแต่ถ้าเราบอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องขอขาดบาดตายเราแค่นี้ไม่ตายหรอกมันอยู่กับมันได้พยายามฝึกจิตให้หัดอยู่กับมันอยู่เฉยๆไปและพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวพออยู่พุโทโธมันก็จะเลยความอยากที่จะให้อาการหายไปมันก็เลยไม่เดือดร้อน สติรัดแต่ละคนไม่ไม่ไม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะพระเจ้าเพราะว่า อ, อย่างแบบปั่นจักรนต้าบางทีนั่งแป๊บเดียวเขาจะเขาจะมีเน็บแต่ว่าอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ละคนอาจจะมีช้ามีเร็วอยู่ที่มีสติมากสติน้อยถ้ามีสติมากมันก็ยังไม่ค่อยมีอาการเจ็บเท่าไหร่ถ้าสติน้อยนั่งแป๊บเดียวเนื้อกิเลสมออกมาสร้างความเจ็บให้กับเราเองอืม น่าจะจรงิงครับเราพยายามจะเจริญสติระหว่างวันอย่างที่พระอาจารย์เน้นย้ำเสมอครับครับไม่ไม่สติง้อยม่งั้นนั่งไมได้ไม่นานนั่งบ้างเดี๋ยวรู้สึกเจ็บละอยากจะลุกละเหตุผลฝึกสติไปมากขึ้นมากขึ้นต่อไปก็นั่งได้นานขึ้นอาการเจ็บก็จะผอมขึ้นมาช้า ล, ลงไปกจ็จะพยายามรักษาสัจครับพระอาจารย์ออื ใช่จะได้เข้ามารายงานพระอาจารย์ต่อไปอาทิตย์ที่เราที่ที่ยุ่งแบบมีไปประชุมตอนเช้าที่กรุงเทพกลัวเดี๋ยวพิสจากตื่นมาตีห้าเพื่อมานั่งทำให้ได้เลยค่ะอ่ารักษาจักไว้นะค่ะพระอาจารย์เด็กจะปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะน้องเอิงเป็นยังไงทำอะไรอยู่การอาวัชการค่ะพระอาจารย์ อยู่ที่บ้านค่ะ <Yeah. S 2> ค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็มีคำถามเล็กๆน้อยๆค่ะคือ mm. เออเอิงปฏิบัติแบบว่ามีสติรู้สึกตัวหมายความว่าเห็นกายเอิงอย่างหนึ่งเห็นใจอย่างหนึ่งแบบตลอดยกเว้นบางครั้งเราอาจจะไปรวมกับสิ่งที่มากระทบบางค่ะแต่ทีเนี้ยเหมือนพอเราสังเกตตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วปฏิบัติ ด้วยอย่างเงี้ยเอิองอยากถามพระอาจารย์ว่ามันจะมีเหตุการ์มาทดสอบเราให้เราหลงก่อนรู้บ้างไหมคะพระอาจารย์มันต้องหลงแล้วมันต้องมันต้องรู้เฉยๆอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดอะไรแล้ว ร, รู้เรื่องเดียวก็พอรู้ร่างกายอย่างเดียวไม่ต้องไปรู้เรื่องใจรู้เรื่องอะไรสิให้รู้อยู่กับร่างกายอย่างเดียวแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปวิพากวิจารณ์นะสิให้รู้เฉยๆ ถ้ว่เรากำลังทําอะไรอยู่กําลังกินข้า ว, วให้รู้อยู่กับการกินข้าวอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เดินก็ให้รู้อยู่กับการเดินไปทําอะไรก็ให้รู้อยู่กับการทํางานไปถ้าไม่จำเป็นจะต้องคิดก็อยากคิดถ้าจะคิดเรื่องงานก็คิด ก, ก, ก, ก็ปล่อยให้มันคิดไปแต่ให้คิดแต่เฉพาะเรื่องงานไปค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ หมายความว่าสมมุติถ้ามีอะไรมากระทบปุ๊บถ้าเอิงอยู่กับกายอย่างเงี้ยเอิงก็ไม่ไมต้องไปสนใจอยู่กับกายต่อไปเดี๋ยวมันก็หายไปเอง<ร>อ ม, ม า, าแล้วไปเพียแต่เราชอบไปยุ่งกับมันเองแล้วสมมุติถ้าแบบเอิงมีอะไรมากระทบแล้วทีเนี้ยเอิงไปรวมกับสิ่งที่มากระทบแล้วแปลว่าเอิงก็ลืมกายแล้วใช่ไหมใช่ลืมกายแล้ ว, ลวไม่ได้อยู่กับกายแล้วค่ะพระอาจารย์ <laughs> <laughs> ช่วงนี้ก็เป็นอย่างนั้นบ้างค่ะ <laughs> ไม่บ้างบ่อยค่ะพระอาจารย์ค่ะก็จะกลับมาที่กายบ่อยๆนะครับคอยเฝ้าอยู่ที่กายปลุกใจกับกายไว้ติดกันเป็นเหมือนแฟนกันไม่ทิ้งกันไม่ทอดทิ้งกันแต่ใจชอบทิ้งกายเนี่ยชอบชอบไปหาไปอยู่กับคนนั้นอยู่กับเรื่องนี้อยู่เลยอยนั้นๆก็ค่อยกลับมาทีนึงกลับมาดูกายทีล้วก็ไปแล้ะอ่ะพะอาจารย์ ต้องไม่ไปไหนเลยให้อยู่กายตลอดเวลาโอเคแล้วแล้วถ้าขอแบบว่าถ้ามีโอกาสหลุดนิด น, นึงได้ไหมค <laughs> <ก>่ะพระาจะก็ไม่ต้อง ม, มันต้องหลุดแน่ๆมันต้องกลัวแล้วใหม่ๆมันไม่มีใครทําได้หรอกถ้าทําทได้มันก็เข้าฌานได้สบายเลยค <laughs> ่ะอืมแต่นั่นก็คือเป้าหมายของเราว่าต้องพยายามไม่ให้มันหลุดหรือหลุดให้น้อยที่สุดให้มันเป็นสัมปะชัญญะสติสัมปะชัญญะคือไม่หลุดไม่หาย อาาจรย์ูตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะรู้ร่างกายตลอดเวลาทําไปนะต้องอดทนต้องใจเย็นๆเพราะมันไม่ใช่จะทําได้ปุ๊บเลยทำปุ๊บเป็นยันได้ปั๊บเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นบางคนใช้เวลาเป็นสิบสิบปีก็มีขนาดหลวงตาท่านบอกว่าท่านบวชหกหกหกหกปีแรกนี่ท่านเข้าสมาธิได้แค่สมครั้งนั่นเอง งันคือว่าวันนี้เป็นกําลังใจค่ะเพราะเอิงก็รู้สึกว่า<ม>โอเคเอิงหลงไปบ่อยแล้วก็แต่กลับมาแต่ว่าก็หลงไปอีกอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็ในความเดึงกลับมาเรื่อยๆเหมือนชักก็เยื่องกันพอวันหนึ่งไปแล้วพอรู้สึกตัวก็เด้งกลับมาค่ะอาจารย์เรียากว่ายักตาสตินีงมีสติมีร่างกายเป็นที่ตั้งของสติค่ะอาจาร<อ>ย์กล่าวเขาบอกถือ อามกฤษปาว่าอะไรเชิญกลาวธรรมสกา ร, การเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้อยู่เชียงรายเจ้าค่ะเอ่าระหว่างทางเจ้าค่ะได้ได้แวะก ว, วัดจองคําที่อังเพงนาวที่จังหวัดกลำปางค่ะเป็นพุทธคยาจําลองซึ่งเท่าที่ทราบคือน่าจะเป็นอัตราส่วนเทียบเท่ากันเลยค่ะก็เลยได้มีโอกาสแวะไปซึ่ง เ, ออเมื่อสี่ห้าปีเนี่ยมีแค่พุทธคยาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีสถานที่ที่จำลองออที่ประสูติตสลู ป, ปรินิพานแล้วก็สาระเทศอะคะ่ะซึ่งพอดีฟังพระอาจารย์ก่อนว่าการไปอินเดียเนะะี่ยค่ะไปเพื่ออะไรพอดีก็ก็เลยได้ได้เรียนรู้จากพระอาจารย์น ะ, ะมันก็เหมือนกับพอเราลองไปเที่ยวดูอะคะ่ะก็ ก็มีสติแล้วก็ทราบซึ้งในพระพุทธศาสนามากขึ้นแต่ว่าก็มีโอกาสได้ไปนั่งสมาธิในพุทธคยาเจ้าค่ะก็สมบูดีเจ้าค่ะค่ะเดี๋ยวกลับไปน่าจะได้เร่งในส่วนในส่วนของการปฏิบัติธรรมมากขึ้นค่ะ <Yeah. S 2> นี่มาย่ำด้วยค่ะโอเคขอบพระคุณค่ะเจ้ า, าคุณวิไลพรเชนยมเยินเมากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะ ทำฟังทำมาฟังเสียงพระอาจารย์ค่ะเข้า ม, มาร<ไ>ับพลังจากพระอาจ<ไ>ารย์ค่ะพระอาจารย์ค่ะคือเอ่อถ้าเราเดินมาทางเนี้ยพระอาจารย์พอเราเห็นการ์ตแต่งงานอ่ะพระอาจารย์โยมก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะโยมก็จะจรู้สึกเออแสดงความินดีแต่พอย่างนี้พอเราเห็นการตแต่งงานแล้วก็มีความคิดว่าโภบวงคุณเกิดแล้วทุกคุณเกิดแล้วแล้วก็พละคุณเกิดแล้ว<ไ>จริงพระอาจารย์มันเป็นอย่างนี้จริงๆเลยเด้วค่ะใช่แล้วแล้วแต ใช่เวลาโยงไปงานแต่งงานเห็นเขาอวยพรกันเห็นเขาก็แล้วมคิดว่าอิสระคุณหมดแล้วพป็อย่างนี้อ่ะมันเป็นภาระจริงๆพระอาจารย์มันคือเขาเรียกว่ามันคือบ่วงเนาะพระอาจารย์เนาะมันคือมันเป็นภาระความผูกพันมันเป็นแบบเหมือนกับอ่าใช่พระอาจารย์เป็นทุกข์กันไงสรุปยังไงคือมันเป็นทุกข์อ่ามันเป็นทุกข์ทุกคุนเกิดแล้วเจ้าค่ะทุกข์กับตัวเองง่ายพอเราคนเืิน่าเป็นทุกข์เหตุกองนึง คันห้ามเาลองหนึ่งแล้วนี่แมวคันห้ามคุงมาแบบใช่ๆใช่ค่ะเพานันพอเรานวันนี้ยพิ่เขียนการแต่งงานความรู้สึกยิ้มก็ขึ้นใหม่แล้วพัชรรู้สึอคนเดินมาทางธรรมเาคงเขาคิดกันแบบนี้นะเริ่มเเห็นตายรัก้เริ่มเป็นตายเห็นไหมคะพัร์ทุงมันทุกขยมแต่เรายังมองไม่เห็นว่ามันทุกข์ยังเห็นได้ดันสุกแค่นี้สุดยอดใช่พัชร์ยมพูดยมลืมแปลว่าสามีนอยู่ข้างข้ง ว่ามีอย่างไรบอกอ้าวการแต่งงานทุกคุณเกิดขึ้นแล้วโยมกูอุ้ยลืมลืมไปกลัวเขาจะเข้าใจผิดอะค่ะว่าอ้าวเราเราแต่งงานกับเขาเรายินความทุกข์เหรอแต่จริงแลทุกข์เราไม่มีเลยพระอาจารย์มันเป็นสิ่งที่ดีด้วยชีวิตเราดีขึ้นเยอะแยะมากมายเลยพระอาจารย์แต่ว่าก็คือเราเห็นถึงทุกข์ละพระอาจารย์ใช่เ<ต>ลยเจ้าค่ะปฏิบัติกัน ม, มันก็ไม่ทุกข์คืออย่าไปยึดไปติดกับเขามันก็ยังไม่ทุกข์อ๋อโยมกําลังพยายามอยู่คะ่ะพระอาจารย์ข้อนี้เป็นข้อที่ยากมาก กําลังกําลังปฏิบัติอยู่ค่ะพระเจ้าขอกลับขอบพระคุณพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ใต้ขันแข็งแรงนะเจค่ะเจ้าทุกเจ้าคุาาาาาณเพนประกาเชิญจอยเป็นประกาเข้ามาครั้งแรกเลยจำหน้าไม่ได้ค่ะ ห, หนูเข้ามาครั้งแรกคะ่ะพระอาะะจารย์ขามามารับกระแสพระอาจารย์กลับมาฟังธรรมคะ่ะก็ อ, อได้ว่าต้องน่าจะต้องไปเพิ่มตัว อ่อบริกรรมอะค่ะแต่ว่าพอหายใจแล้พุดโธไปด้วยมันมันน่าจะสั้นไปแล้วก็เมือ ā ā ่อกี้ฟังพระอาจารย์บอกว่าให้ลองสวดอิติปิโสก็ลองทําแล้วทีเนี้ยจากที่หัวมันอันอันมันก็เปิดได้ง่ายขึ้นไงค่ะน่าจะไปเพิ่มตรงนี้แต่ว่าถ้าสวดสองอย่างไม่ต้องลืมลมก็ได้ถ้าจะสวดก็สวดอย่างเดียวไปเลย อ, อ๋อค่ะถ้าสวดมนต์มันถ้าสวดมนต์มันยาวค่ะมันมันจะไปอยู่กับบทสวด สัดส่วนใหญ่ค่ะแล้วมันมันไม่ค่อยรู้ลมค่ะไม่ต้องรู้ลมเลยนะคะไม่จําเป็นต้องรู้ลมถ้าเอาบทสวดเป็นที่ยึดของจิตใจแทนค่ะใน่พูดทงก็เหมือนกันไม่ต้องพูดเข้าโทอพูดทงไปอย่างเดียวเลยก็ได้ปกติหนูจะพูดพดเข้าทงออกค่ะเพราะว่าถ้าถ้าถูกเจริญก็ได้ไม่เป็นไรอ๋อแต่เมื่อกี้ถ้าเป็นสวดยาวช่อเหมือนเหมือนมันโลงมากกว่าก็กทิงลมไปเลยไม่ต้องไปสนใจลม ได้ค่ะอาเดียวมีอะไรแนะนําหนูเพิ่มเติมไหมคะทําไม่มากทําให้บ่อยค่ะค่ะขอบพระคุณครับความเพลินยังไม่มากพอต้องให้มันมีความเพลินต้องมากอือไปครับโอเคอาขอบพระคุณครับอ่าไปได้คุณหมอสุทัันทร์นาัสการดัานพระจานทร์เจ้าค่ะอาวําไม สบายดีเจ้าค่ะวันนี้วันนี้ลูกมีคําถามเจ้าค่ะท่านอาจารย์พอดีว่าพี่ผู้ช่วยศิลปวัฒแพทย์ที่คลินิกเขาโดนลูกค้าดูถูกแล้วก็ ถ, กถากฐานเจ้าค่ะทําให้พี่เขารู้สึกว่าเสียใจแล้วก็โกรธพี่เขาจึงมีการตอบโต้ลูกค้าไปเจ้าค<ม>่ะขนาดนั้นลูกไม่ได้อยู่ในคลินิกเจ้าค่ะ<ม>พอกลับมาอ่าลูกค้าเขาก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งมา ขาอความมาที่เบอร์โทรศัพท์ของลูกอพอลูกได้อ่านเมื่อปิดคลินิกแล้วจึงได้มีการตักเตือนไปด้วยเหตุผลเจ้าค่ะพี่เขาเสียใจแล้วก็ร้องไห้แต่ก็บอกกับคุณหมอว่ารักคุณหมอจะอดทนและใจะเย็นลงเจ้าค่ะที่นี้คำถามของลูกคือว่าจะมีธรรมะข้อใดที่จะช่วย ทำให้เขาไม่ทุกใจเมื่อเวลาที่เจอกรณีที่โดนดูถูกแบบนี้อีกเจ้าค่าะก็มันก็มีหลายสายเหตุหนึห่งหนึงก็คือเรายังถือตัวเราอยู่ว่าเราเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พอใครมาประเมินเราต่ำกว่าความความเห็นของเราเราก็เสียใจพระเจ้าบอกให้หัดทำตัวเราให้ต่ำต้อยที่สุดทำตัวเราเป็นเหมือนปัตถภีงั้นใครจะมาประเมินยังไงมันก็สูงกว่าเห็นไห งั้นต้องพยายามคิดว่าเราเป็นแจวอแล้วใครทุกคนเป็นเจ้านายเราทีนี้เขาเขาจะไหว้อย่อยายงไงก็เราก็ถือว่าเขาเขาเขาใหญ่กว่าเราเขาสูงกว่าเราเราก็พร้อมที่จะรับคําคําดูถูกดูแคลงของเขาได้เพราะเราต่ํากว่าเขาจะพยายามทําทตัวให้ต่ำนั่นจะไม่ค่อยเดือดร้อนกับการดูถูกดูแคลงของคนอื่นอีกวิธีหนึ่งก็ให้มองว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้คน เขาอยากจะพูดอะไรก็พูดไปตามความรู้สึกนึกคิด ข, ของเขาเออก็ให้คิดว่าเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนเสียงฟ้าร้องเสียงลมลมพัดเสียงฝนตกนี่เราไปห้ามมันไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้ถ้าเรายอมรับกับเสียงว่าเสียงของเขาว่าก็เป็นอย่างนี้ก็มีสองวิธีหนึ่งก็แก้ที่ตัวเราอย่าไปถือตนอย่าไปถือว่าเร า, เรา เราเราเราเด่นเราดีเราดังเ ร, เราสูงอะไรอย่างเงี้ยไอ้คิดว่าเราต่าเราเป็นเหมือนปัตภีเหมือนแผ่นดินใครจะเหยียบก็ได้นะถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะเฉยจะรู้สึกเฉยๆกับการขอละหาว่าการการดูถูกดูแคลนหรือมองถ้าจะมองเขาก็มองเขาว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศไปเราห้ามมันไม่ได้ ควรจะตกฟ้าจะร้องเราห้ามมัไม่ได้ควรจะพูดดีพูดไม่ดีจะดูถูกเราก็ไม่ดูถูกเราเราห้ามก็ไม่ได้ก็ปล่อยก็ทําไปเ อ, อย่าไปอยากให้เขาวาดดีอี่ย ก, ก็เล่ากันความเสียใจเราเกิดจากความอยากแล้วไม่ได้ตั้งใจอยากแล้วก็เสียใจแล้วก็โกรธขึ้นมาลูกจะนำเทพธรรมะอันนี้ไปเปิดให้พี่เข้าฟังสจ้ค่ะเอืมไม่ทราบว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่าเนะ่ย คุหมอเข้าใจไหมหนูเข้าใจดีเจ้าค่ะอะหมอทาใจได้ใช่ไหมได้เจ้าค่ะเคยโดนก็ไม่ได้รู้สึกมันไม่ได้รู้สึกอะไรเจ้าค่ ะ, ะเพราะว่ากําลังบอก้อง้องบอกวิธีของหมอบอกดูนะว่าหมอทํำยังไงเจ้าค่ะปอกพี่เขาไปแล้วแต่ว่าเหมือนเหมือนเขาน่าจะมีความโกรธ น, น่าจะมีสําหรับลูกคิดว่าพี่เขามีความรู้สึกที่เขา โดนดูถูกกับคําที่ว่าเป็นผู้ช่วยศตลวแพทย์เรียนจบอะไรมาพี่เขาก็ตอบไปว่าจบปริญญาตรีเหมือนดูถูกเรื่องการถือสายนี้เจ้าค่ะอืเขาก็เลยกลัวน่าจะเป็นเรื่องของอัตตาเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ใอ่ส่วนใหญ่ชอาให้คนเข้าชมเราไม่ช่บให้เขากล้หานนินทาเราดูถูกดูแพนเราชอบให้เขายกย่องสรรเสริญ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ๋อ <c oughs> <c oughs> บางคร้ว่าสวยหน่อยยิ้มแป้นเลยทั้งที่หน yes ้าตาขี้เหร่ก็จริงไหมจริงเจ้าค่ะเนี่ยคือกิเลสของเราเป็นอย่างนั้นทุกคนเหมือนกันเราก็เหมือนกันใครชมเราหน่อยนี่เรายิ้มแป้นเมื่อก่อนนี่แต่เดือนนี้เฉยๆนะเดือนนี้ฝึกใจให้เฉยๆยอมรับกับทุกทุกรูปแบบอารยิงดเพราะไปอยู่กับหลวงตานี่ยโดนด่าซะกูตึงเลย ผู้ชาไปเลยเจ้าค่ะทำมาช่วยรักษาใจได้จริงๆเจ้าค่ะ <Yeah. S 2> ถ้า <Yeah. S 2> เป็นถ้าเป็นเราเราอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นแบบนี้เจ้าค่ะแต่ก็ไม่ได้ฝ<ค>ึกเหมือนเราเราฝึกมาก่อนเราเตรียมรับกับเหตุการณ์หน้าอกหน้าไปแนละ้วเห็นเขาแล้วก็สงสารเจ้าค่ะแต่เขาก็บอกว่าจะบำรุงแก้ไขจะลดความใจร้อนลงเพื่อคุณหมอเขาใช้ไหมว่าเพื่อคุณหมอเจ้าค่ะอืมก็ดีอืม โอเคนะแต่อย่าไปทำแล้วเขารู้สึกว่าเขาผิดก็แล้วกันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความไม่ฉลาดของเขาที่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะท่านพระอาจารย์ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะจ่าเอ่าคุณจอยจอยพัทยาอีกคนหนึ่งอะไตอนนี้เป็นอะไรใส่เลยมีหูอะไ ร, ม, ะไรมีกามีมีเทาเหรอว้าว wow. ทำงานบ้านก็เลยใส่ข้าวผมออ oh. ล้างห้องน้ํา้องหลายห้องวันนี้อา oh. แต่วันนี้หนูตั้งใจว่าหนูจะถือศีลแปดแต่ไม่ได้หนูหนูงงว่าถ้ามาอยู่วัดหนูทําได้ทําได้ดีเลยไม่หิวเลยแต่กลับมาบ้านเผลอตัวไม่ได้อ oh. ืมนิมนพระไม่เป็นไรต้งตั้งใจให้หนัก ง, งานก่อนค่ะ <Huh? S 1> วันพักงานนั่งคิดให้ดีกับตึกตองให้ดีกัน อิเล่เยอะมานเยอะเนียค่ะอย่าไปตั้งเฉยๆถ้าตั้งก็ต้องมีสัจจะต้องมีความแน่วแน่ถ้ายังไม่มีความแน่วแน่อย่าเพิ่งไปตั้งเดี๋ยวจะน้มเหลวค่ะแต่เวลาอยู่วัดปฏิบัติได้แต่เวลาอยู่บ้านไม่เหมือนกับอยู่ที่วัดอ๋อยากถ้าอยู่บ้านมันก็ยากถ้าอยู่คนเดียวง่ายถ้าอยู่กับคนอื่นเนี๋ยวห็นห้องเต็ข้าวเย็นแล้วก็หิวขึ้นมาค่ะถ้ายังทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปทํานะค่ะได้ค่ะ โอเคถ้าถึงถ้าคุณจิบเมื่กี้จุบ น, นีน่จิบจุบอยู่โกเบนนี่จิบอยู่เมกาดาวนักศกาา ค, ค่ะครับอาจารย์อาจารย์สบายดีนะคะวันนี้ดึกเลยค่ะไม่มีอะไรคะ่ะเออพอดี วันอาทิตย์ที่แล้วน้องแจนโยมแจนนะคะฝากกับน้มัสการพระอาจารย์ด้วยช่วงนี้เขาไม่กลับใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอาทิตย์นี้ไม่แน่ใจว่าน้องเข้ามาหรือเปล่าไปยังไงยมก็ขอกราบพระอาจารย์แทนด้วยแล้วก็สลินทอนด้วยนะเจ้าค่ะสลินทอนส่งข้อความมาบอกว่าเจ้านายเขาเข้ามาที่ออฟฟิศวันนี้เขาต้องเข้าที่ออฟฟิศค่ะก็เลยไม่สามารถเข้ามาได้ค่ะก็ฝากกับพระอาจารย์ค่ะ ค่ะโยมก็ทําไปเรื่อยๆค่ะมีหย่อนบ้างยืดตึงบ้างก็พยายามพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะคอาจารย์ก็<ม>พยายามไม่ค่อยยืดเรื่องลูกมากเท่าไหร่ค่ะเหมือนอเหมือนลูกสิบพอดีลูกชายสิบแปดแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาโตแล้วโยมก็โอเคอยากทําอะไรก็ทําแต่ถ้าหนูยังอยู่บ้านแม่อยู่ก็กฏของแม่ก็คือกฎของแม่กต้องนก็ต้องมีหลักเกณฑ ใช่คะ่ะ<ๆ>ก็เลยแบบว่าโอเคแต่ถ้าจะคุณจะไปนอนบ้านพ่อเมื่อไหร่อะไรยังไ ง, งตามสบายแต่ถ้าอยู่บ้านแม่ก็คือกฎของแม่ใช่ค่ะค่ะก็เอาฟังเอาเอาคําพระอาจารย์มาใช้คะ่ะก็ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนค่ะอย่าไปเกงใจคนต้องเก่งใจทำจโอ้ศาสตร์ถกค่ะพระอาจารย์เหมือนจะอ่านใจเราอกเลยวันนี้โยมก็เก่งใจลูกเก่งใจคนน้องคนนี้แต่บางทีเราก็มองข้ามตัวเองไปว่าหลักการเลยหมดเลย ใช่ค่ะมันก็เลยทําให้ความทุกข์มาอยู่ที่เราบางครั้งความเกรงใจที่เราจะพูดกับคนอื่นกลายเป็นว่าเราต้องมาทนแล้วก็ทุกข์อยู่กับเราเนี่ยค่ะทั้งที่ถ้าเราพูดไปมันก็คือความจริงเขาจะรับความจริงได้หรือไม่ได้มันก็อยู่ที่เขาแต่ตัวเราก็พูดตามหลักธรรมอะไรอย่างเงี้ยตามความจริงค่ะ ค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะมองมองแนิยมค่ะปวดเข่าทั้งวันเลยตั้งแต่มาสองสามรันแล้วยมก็มองให้มันเป็นเวทนาเออปวด<ม> อ, อ่ะเดี๋ยวปวดเดี๋ยวหายเดี๋ยวปวดเดี๋ยวหาย<ม>เออมันก็อย่างเงี้ยค่ะแล้วบางังคับมันไม่ได้ก็ปล่อยใช่ค่ะใช่พระอาจารย์มันเห็นปุ๊บึ้นมาเลยแบบเออเราบางังคับมันไม่ได้จริงๆนะพระอาจารทุกขกับหน้าตาใช่ค่ะยมก็เลยอ่ะปล่อยไปพอเจ็บก็รู้ว่าเจ็บเจ็บแล้วก็เออเดี๋ยวเดินอีกข้างหนึ่งก็ไม่เจ็บแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะแล้วใจเราก็ไม่ทุกข์กับมัน ใช่ค่ะนอกจากว่าเดี๋ยวมันล้มแปบร้อยเดี่ยวก็เรียกรถพยาบาทค่ะโอเคค่ะอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะใสาทุกค่ะอ่าภู้พาร์เปล่าใบหยกเปล่าใช่ไหมหน้าตานี้เปลี่ยนไปเยอะไม่ได้เข้ามาตั้งหลายปีนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วมาสักการเจ้าเกิการปรสัการวันนี้ลมอะไรพัดเข้ามาเนี่ย เพิ่งสอบเสร็จนะปิดแถวแล้วเหอสบายใจเห็นน้องใจล้วมันยกคู้เขากจะออกเลยนะอืมนที้จะขึ้นช่านไหนลันนะปูพูขาขึ้นมอสี่อ่มอสี่มอหกอ่หายไปไหนอพูดต่อไปได้ยินไหมพูดต่อได้ยินค่ะมออะไรมอสองค่ะ มอสองผู้ใบ ย, ยกเลยคนเชื่ออนะไร้ไรคะหนูมุกใหม่มุกใหม่มุกใหม่มุกใหม่มสองเลยขึ้นมอสองขึ้นมสองแล้ว ย, ยกอ่ะเดินมอห้าค่ะเอะามอห้าคนโตนะผาเป็นมสี่เป็นไงยังเดินแบบอยู่อะยังเป็นนางแบบอยู่อะอืมการแสดงค่ะยังเป็นพรีเซนเตอร์อยู่เลยงานไม่ขาเลยนะ ขอทุกทางดีอืมใช่ค่ะออดีได้เงินมาก็ต้องแบ่งให้แม่ด้วยนะให้พ่อให้แม่ด้วยนะให้แม่หมดเลยค่ะอะดีมนช่วยกันมามาแบ่งกันเลี้ยงดูกันนะอือคือช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้มาเยอะคแต่ว่าเออมันก็อมก็เ็นักที่สินแปดตันพลา่สิแปดวันนี้เลย ทุกพระเลยคกพระเลยครับอันนี้มีอะไรพิเศษไหมที่เข้ามาอันนี้มากลวาโอเคดีใจด้วยอันนี้เด็กเต้องเอาแค่นี้ก่อนนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะทำความดีรักษาสิ่งปฏิบัติธรรมนะรสาธุ อาจารย์ท่าขันแข็งแรงนะคะด่ า, าสาธสาธคะ่ะคุณปูเป้ด่าปูเป้กับสาธุค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะอาจารย์ด่าค่ะพระอาจารย์ของหนูก็รุยปฏิบัติเรื่อยๆค่ะอาจารย์ค่ะอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาหนูนั่งรถเมล์แล้วหนูก็เข้าสมาธิในรถเมล์ใช่ไหมเจ้าคะ แต่ประเด็นคือรถเมก็คือเบรกกระทันหันค่ะพระอาจารย์พอหนูเข้าสมาธิปุ๊บพอดีในรถเมยไม่มีบเบาไม่มีเบาข้างหน้าใช่ไหมเจ้าคะหนูหนูแบบถลายเลยค่ะพระอาจารย์โชคดีที่หนูเข้ามาในในร่างกายธรรมก็เลยได้นั่งถลาลไปเลยค่ะพระอาจารย์มันก mm ่ hmm. อนที่เกิดรถเบรกกระทันหันค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยแบบพอเจอก็แบบ พยายามเอาทำมาบอกตัวเองว่าอ๋อกายนี้ไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่ได้เจ็บปวดร่างกายมาก ค, ะคะ่ะ<ม>พระอาจารย์ก็เลยได้แบบประสบการณ์เลยค่ะพระอาจารย์เก็สําคัญก็อย่าไปทุกข์กับมันนั่นแหละเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็อย่าไปทุกข์กับร่างกายเจ้าคะ่ะหนูก็เลยได้เห็นว่าโอ้ถ้าเข้าไม่ทนันนี่อาจจะแบบหัวฟาดโดยไม่รู้ตัวอะไรเง<ม>ี้ยค่ะพระอาจารย์ถ้าปล่อยการฟาดก็ฟาดไปฟาดก็ฟาดไปทำไงได้ เจ้าค่ะกระเป๋ารถเมก็เลยเข้ามาถามว่าเป็นยังไงบ้างคะไหวไหมคะอะไรเงี้ย อ, อนุบอกว่าสบายมากเลยค่ะไม่เป็นอะไรค่ะก็เลย ม, มันเลยไม่ค่อยเจ็บร่างกายมากค่ะพระอาจารย์ก็เลยรีต่อไปค่ะพระอาจารย์โอเคถาถึงตอนนี้ก่อนนะเจ้าค่ ะ, าคะมาดีคนละเชิญคําถามจากทางบ้านกราบนมรสร ก, การค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามจากทาง facebook พระอาจารย์สุชาติและ youtube อกเตอร์วีแชนเจ้าค่ะ คำถามแรกกราบในมัสการพระอาจารย์ครับขณะภาวนาบางครั้งจิตไม่นิ่งผมต้องบังคับจิตมากๆเพื่อให้นิ่งผมจะรู้สึกเหนื่อยถ้าฝืนทำต่อก็ได้ผลไม่ดีแบบนี้ผมควรต้องหยุดภาวนาก่อนหรือฝืนทำต่อไปดีครับกราบขอพระคุณอย่อาไปบังคับจิตจิตเราไปบังคับมันไม่ได้ให้เราให้มีสติอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรือส่วนมนไป นี่จิตบรนจาไม่สงบเนี่ยมันไม่ได้เราไปบงังคับให้มันสงบไม่ได้มันขาดสติถ้ามีสติแล้วเนี้มันก็จะสงบเองพยายามจะนันสติให้มากๆโทรไปแล้วสวดมนตน์ไปคุณถามต่อไปน้อมกราบเจ้าค่ะ เมื่อนั่งสมาธิรู้สึกว่าบริเวณเหงือกจะหนาๆไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างบุประทา น, า น, ทานจิตมันปรงแต่งขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจนะ อ, อยู่กับพุทโธไปถ้าเราใช้พุทโธถ้าใช้นมก็ดูลงไปเดี๋ยวอาการเหล่านี้มันก็จะหายไปเองคถามต่อไปจากคุณวิเชียนขอถามพระอาจารย์ว่าก่อนที่อุบัติแห่งพระพุทธเจ้า กฎแห่งกรรมมีแล้วหรือยังครับมีมาตลอดเวลาจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรูกหรือไม่กฎแห่งกรรมนี่ก็เป็นกฎขงธรรมชาติที่มีอยู่ตลอดเวลาคำถามสุดท้ายจากคุณปียนันท์ถ้าเราถือศีลแปดต้องทานอาหารเวลาเดียวก่อนเที่ยงถ้าหากเจ็บป่วยต้องทานยาหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นเราควรทําอย่างไรคะก็อย่าถือศีลแปดน 8. ถือสินเจ็ดไปแล้วกันถ้ า, ายังต้องกินยาแล้วต้องกินอาหารก่อนนะพากินยาถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องมีการยกเว้นบ้างแต่ถ้าเป็นพระนบางทีพระท่านก็ไม่ยอมยกเว้นท่านก็กินทีเดียวสามเม็ดพร้อมกันไปเลยทีเดียวมื้อเดียวไปเลยจบไม่ถึงหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคนะ